ได้ยินเสียงเปล่าได้ยินครับอาจารย์โอเคจันทพรท่านสาธุชนพุทธบุตสัตว์ผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่ทานวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาธรรมทางปฏิบัติฐานศีภาวนากันใครที่มีความสนใจก็เชิญเข้ามาถ้ามีคําถามอยากจะเข้ามาถามก็เชิญเข้ามาถามได้ ตัว น, นี้ก็ไปที่คนแรกคือจะมากับแจที่คุณราบนมันส ก, การพาจารย์ครับอ่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้กำลังท่องอาการสามสิบสองครับอ่เป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาบาลีภาษาไทยครับอ่าท่องถึงไหนแล้วท่องได้ทั้งหมดสามสิบสองนะครับ อจะทอให้ฟังไหมกระตามอ่าเชิญผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระเอน<อ>กระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับถังผืชไตปอดไซน้อ ย, ย, ยไซ้ใหญ่ไซน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำสเสีย อ, อยู่ในสมองสีส่สัม เยื่อในสมองสีสันเยื่อในสมองศีสันน้ำดีน้ำดีน้ำเสฉลดน้ำดีน้ำเฉลดน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันค้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำน้ำมูกน้ำไข่ข้อน้ำมูดถ้าเท่ากับถอยน้ํากลับได้มไหมได้ค่ะ น้ํามูดน้ํามูดน้ําไข่้อน้ํามูกน้ําน้ําลายน้ํามันเหลวน้ําตาน้ํามันข้นน้ําเหงือน้ําเลือดน้ําหนองน้ำเสเลตน้ําดีเยื่อในสมองศีสัตอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตผังผืดตับ หัวใจ ม, ม้าเยในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนผมครับอันนี้อ่านเอาเรื่องว่าท่างเอาเนี่ยท่องเอาครับไม่ได้ดูน้องเสยนะครับไม่ได้ดูครับโอเกแรงมากค่ะอยู่ที่ไหนรู้ไหมอาการทางที่สองนี้อย่ในร่างกายเ <Yeah, S 2> <laughs> นี่ยนะ่นลจอแจแมนี่ยก็มีแค่อาการทางที่สองนี่ยทางกายของแจแม่ ร่างกายมันจะแม่นไม่ใช่จะแม่นกันได้ไหมครับจะม่นันเหมือนคนขับรถร่างกายนี่มันเป็นเหมือนรถคนขับอยู่คนขับอยู่อีกลอบหนึ่งอยู่ในโลกทิพย์เป็นวิศวะมนุษย์อยู่ในโลกทิพย์อ่าเป็นวิศวะมนุษย์ใช้ใช้วิญญาณกระแสะของวิญญาณเข้ามากด ต, ติดกับร่างกายอ่ร่างกายกัจบจะแม่นที่เป็นคนละคนกั้นไม่ใช่คนเดียวกัน น้า่งกายเป็นอะไรจะนัดไม่ได้เป็นอะไรเข้าใจไหมเข้าใจค่าเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใช่ไหมน้ายงใจนี้อ่าําไปง่านยะอย่าไปกลัวนะเ ร, เราไม่เราไม่ได้เป็นน้า่งกายครับเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้น่า่งกายทําอะไรต่างๆครับน้า่งกายเป็นเหมือนคนนับใช้เราเราเป็นนายเขา ก่อนที่ร่างกายจะพูดได้จะแม่ต้องสั่งก็อให้พูดพูดผมขนและฟันเนี่ยงะพูดได้ถ้าแม่ไม่สั่งมันก็ไม่พูดนะพยายามแยกใจออกจากกายนะอยู่เรื่อยๆ้กับกายเป็นคนละคนกันนะใจไม่มีวันตายนะใจไม่ได้อยู่ในร่างกายใจอยู่โลกทิพย์ เหมือนกับคนสองคนที่เขาติดต่อกันด้วยทางโทรศัพท์คนหนึ่งอยู่น้องคาย ค, คนหนึ่งอยู่กรุงเทพไม่ได้อยู่ที่เดียวกันใช่ไหมใช่ครับอ่าอ่าะยมาทอยู่ในโลกทิพย์เนี่ยอยู่ในใใอินวิซิเบลก็อย่างนี้เข้าใจคับอ่าส่วน่างการที่อยู่ในโลก่าโลกในน้ำลมไฟครับจามาท์เป็นแต่มาก็ มาครอบครองร่างกายาเพราะใจแม่ยังอยากจะใช้ร่างกายพาไปเล่นเกมใช่ไมใช่ครับอถ้าต่อไปจะแม่เลิกเล่นเกมได้ก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ได้เข้าใจนะเข้าใจครับอพยายามเลิกทุกอย่างนะอย่าไปติดกับอะไรอย่าไปติดโลกเสียงกลิ่ น, นรสต่างๆอาจจะเราต่อไปจะได้ไม่ต้องไม่ต้องมีร่างกายอยู่แบบไม่มีร่างกายสบายกว่านะ ถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่มีวันแก่วันเจ็บับนตายก็ได้ไมเข้าใจครับอโอเคนะทุกครั้งที่จะมาเห็นร่างกายสวยๆเงางา ม, งามต้องมองให้เห็นอาการ32นะครับเวลาเห็นฟูงเห็นแพงเห็นใครชอบชอบใครขึ้นมาต้องดูว่าอาการ32เขานะครับทำได้ไหมได้ครับลองทำดู นั่งยังไงท่องสามสิบสองแล้วก็นั่งสมาธิต่อเลยก็ก็คือเวลานั่งสมาธิอะครับตอนแรกก็จะท่องพุทโธดูลงหายใจครับแล้วก็เวลาที่มันไม่สงบก็จะท่องผมฝนและฟันหนังกับโอเคนั่นได้กี่นาทีแล้วหมก็ได้ยี่สิบยี่สิบกว่านาทีแต okay. test, ่บางครั้งก็เกินไปแบบนั่งสมาธิก็รู้สึกว่าเกินแ้มโอเคเราเวลาท่องชื่อเสร็จแล้วลองดูลงต่อนะ อย่าเข้าใจไหยเข้าใจครับถ้ามันไม่สงบก็ท่องชื่อไปส่วนอินทิริโสไปก็ไดนะ้เสร็จแล้วก็ดูลงต่ออย่าเพิ่งก็พยายามนําให้นานๆครับโอเคนะดีมากมีอะไรอจะถามไหมมีค่ะหนูมีค่ะอาจารย์ถาม่ ะ, ม ค, ะคือปีเนี้หนูตั้งใจว่าจะภาวนาให้มากะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้หนูถึงสิงหแปดได้ครบแล้วะคะ่ะ แล้วระหว่างวันเนี่ยก็ปฏิบัติอสติปัฏฐานสีที่พระอาจารย์บอกว่าให้เริ่มที่ฐานกายก่อนนะคะทําอะไรไปก็อยู่กับกายให้มันมีสติทีนี้พอมันมีสติบ้ากๆมันก็มีสมาธิจดจ่อกับงานตรงหน้าแล้วมันทําได้เร็วอะคะ่ะแล้วทีนี้เมื่อวานเนี้ยระหว่างที่กําลังมีสติจดจ่อย่างเนี้ยค่ะมันแวบกนึงอะค่ะที่มันเห็นความคิดตัวเองอะค่ะพระอาจารย์มันเห็นว่าข้างในอ่ะมัน อยู่ๆมันก็ร้องเพลงเองอยู่ๆมันก็คิดเองอะค่ะเหมือนกับมันมันไม่ใช่เราอะมันมีอีกคนนึงอะค่ะแล้วหนูก็เอ๊ะมันมันคิดเองแบบนี้หรอนี่หล่อที่เขาบอกค่ะค่ะแล้วหนูก็คือทําได้แค่รู้ค่ะแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วมันเหมือนมันทันนะคะว่าพอมันขึ้นมาปุ๊บเรารู้เดี๋ยวมันก็หายไปเราเป็นผู้รูเรารู้ต้องรู้ทันมันอย่าให้มันหลอกเราตอนไหนค่ะ ให้มันคิดไปทางธรรมนะอย่าใมันคิดไปทางอีเล่อย่ไปคิดว่าเป็นมีอัตตาตัวตนว่ามีเราเป็นเราเป็นของเรา ใ, <ช>ให้มันคิดไปในทางอนิจจ์ทุกขังอนัตตาแบบนี้เราต้องทําังไงต่อไปอคะพระอาจารย์ก็ดู<ก>ต่อไปเรื่อยๆดูแล้วก็ต้องนั่งสมาธิควบคู่กันไปด้วยต้อ ง, ต, องต้องนั่งสมาธิให้นะ<ช><ช>ต้องให้นิง่งให้เป็นเป็นา แล้วมันจะได้ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางความคิดได้รู้ทันความคิดแล้วไม่ยึดไม่ติดกับความคิดเลยค่ะค่ะต้องเข้าสมาธิบ่อยๆนะค่ะมีเวล า, ลาง่วงเมื่อไหร่ก็นั่งสมาธิค่ะค่ะเพราะใจเราตอนนี้ยังไม่มีกําลังสู้กับกิเลสคะค่ะต้องนั่งสมาธิให้มีวเบกคหายเยอะๆแล้วต่อไปก็จะได้เวลากิเลสอยากได้ไไดไดละก็ไม่ต้องทํำตาม อ่านยไหมคเข้าใจโอเคทำดี่ะทำต่อไปนะคับแล้วแฟนเ็าไม่ว่าหือเธอสินแต่แล้วมีเขายกเว่นบางวันหรือเป่าไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ไม่ว่าเขาเข้าใจเข้าใจค่ะเขาก็สนับสนุนโอเคอเดี๋ยวบ้านแตกสลากกานนะพอแล้วพอแล้วไม่เอาแลโอเคไม่เอาแล้วเส้นทางชัดเจนขึ้นตั้งแต่พวกพระอาจารย์นะคะ <Okay. S 2> ไม่ไม่เอาแล้วทางอื่นมีทางนี้ทานเดียวที่จะหลุดพน้นนะคะโอเคดีถ้าเป็นไปได้ก็สาธุนะโอเคงั้นไปที่คุณสาธิกาต่ออาจารย์คุณครับค่บบนะไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์มาฟังธรรมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นไปภาวนาที่ชีโอนะคะเจ็ดวันโอเคดีสาธุตอนรับปีใหม่นะค่ะโอเคอ่า huh. okay. ไปคุณดิษยาต่อคุณดิษยา อยากกลับนาที่ว่าใช่ไหมค่ะกลับนมัตรการค่ะพระอาจารย์วันนี้วันนี้มีมีนามัตรการค่ะวันนี้มีอารุติปอสี่ค่ะแล้วก็คุณคุณอาค่ะอยากกลับมากลับนมัตการพระอาจารย์ค่ะ่ยินดีต้อนรับค่ะอ่ะเกินเกินแนะนำตัวเองมีอะไรคําถามไหมครับเดินผู้โตดังดังลูกดังๆไม่ได้ยินสวัสดีครับอ่ชื่ออะไรครับ ช uh, ื่อเด็กชายพัชกลดัชกพันหลพูดหลยไหมากขชื่อมากขึ้นชัยดังดังลูกบอกให้ดังๆังลูกเสดต่างดังอ่ะผมผมชื่อเด็กชายพัชพลดัชกพันมีอยากจะถามอะไรไหมถามอะไรไม่ลู้ถามอะไรไม่รู้เอาถามได้เลยถ้าเราเจอสิ่งที่มองไม่เห็นเราควรจะทายังไง อก็เฉยๆไปก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกท่องพุทโธธรรมโมสังโฆไปนะเราก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าพอทำพอสมเวลาเราจะเรามีความเสศกลัวเราก็อยู่เฉยๆหลับตาแล้วก็ท่อพุทโธธรรมโมสังโฆไปจนกว่าใจเราจะหายกลัวแล้วหลับคล้อยเมียนตาขึ้นมาทําได้ไหม ทำพุโทโธได้ไหมพุโทโธทำโมสามโคได้ไหมนะเราจะสวดพุธทธังสารนามกระฉามนี้ทำมังสารนามกระฉามีสามคสงสารนามกระฉามีกันนะนะไม่ต้องไปมองสิ่งที่เรามองไม่เห็นใจเราหลอกเราเองใจเราคิดไปว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมานะเราต้องหยุดตัวที่หลอกเราคืออย่าให้มันคิดใช้พุโทโธทำโมสามโคหยุดมัน พอใจอยู่แ ล, แล้วมันก็รู้ไม่มีอะไรมันเป็นแค่แต่ความคิดเราหลอกตัวเองเข้าใจไหม okay, <thank> เข้าใจค่ะเราหัดไปท่าก่อนต้องหัดท่องไว้ก่อนนะเดี๋ยวถึงเวลาท่องไม่ออกนะ <c oughs> ต้องซ้อมไว้ก่อ น, นทุกวันเนี่ยก่อนนอนก็ทําพุทธทังสารังกชามิทํางสารังกชามิสามครั้งสารังกชามิหรือพุทโทธธรรมโมส า, ามโค พลัตตนาตายเป็ที่คุ่มรองจิตใจของเราท่องได้บ่อยๆ ย, ยิ่งดีก่อนนอนก็ท่องเต็มขึ้นมาก่อนจะก่อนจะลูกจากเตียงก็ท่องแล้วเวลาไหนนึกได้ก็ท่องไปหัดท่อไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเวลาเจออะไรที่เรามองไม่เห็นเราก็พุทโธพุทโธพุทโธธรรมโมสามโกพุทธธรรสารนกระฉาไม่ไปะอะไรๆรอบ จงกว่าใจเราจะนิ่ง ใ, ใจเราจะหายกลักวเราจะให้ข้าใจคราบมีอะไรจะถามอีกไหมไม่มีแล้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ ะ, อคคะโอเคดีมากกยากทำจพิการไหวจารย์ค่ะเช่มีอะไรนั่งค่ะคือเมื่อวันปีใหม่อะค่ะแล้วก็มีน้องคนหนึ่งเขาเข้ามายกมือไหว้โยมนะคะแล้วก็ บอกว่าให้ตกหัวเขาหน่อยแต่โยมก็ไม่ได้ทํานะคะแค่เอาประคองหัวเข้ามาแล้วก็จุ๊บไปบนศรีรษะเขาอะคะ่ะแล้วเขาก็บอกคนลูกขนลุกโยมก็เริ่มแปลกใจเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแล้วพอตอนเช้าอะคะ่ะเวลาโยมอําน้ำโยมจะยอมให้จะชอบให้น้ําผ่านหน้าตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็มาคิดได้ว่าตอนที่เราทําอาการนั้นนะคะมันไม่มีอารมณ์ใดๆอยู่ตรงนั้นเลยมันเป็นความว่างๆอะคะ่ะตอนที่เรากิริยาที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะอาจารย์ ก็ดียังไม่มีอารมกับอะไรก็ดีที่สุดใช้ไปเพิ่งมาฉุดคิดได้ตอนเช้าอะค่ะว่าในขณะที่เราทําำเรียงนั้นเราไม่มีความรู้สึกรักชังหลงอยู่เลยตรงนั้นเราทำด้วยความเมตตาก็ได้ขาขอมาก็จัดให้เขาไปให้ความสุขกับเขาทำเป็นความสุขเขาเขต้องการถ้าไม่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายก็ทําให้เขาไปก็ดีเออ เลยเขาจะรู้สึกยังไงก็เรื่องของเขามันเป็นเรื่องของความรู้สึกของเขาคนตอนแล้วก็เริ่มเริ่มหวั่นใจเอ๊ะทำไมเขาต้องฝนลุกอะไรแบบนั้นด้วยแต่ว่าเขาก็มาคิดอ๋อในขณะที่เราทําแต่ว่าในด้วยส่วนตัวนะคะว่าในขณะที่เราทําตรงนั้นมันคือความว่าไม่มีอารมณ์ใดๆเจอือพนก็รู้สึกดีคาะรู้สึกดีดีแล้วเราควรจะทํายังไงต่อไปไหมคะหรือว่ายังคพยายามฝึกพยา ย, ยามฝึกแบบนี้ไปกับทุกสิ่งทุกอย่าง จอใครก็เฉยๆไปพูดนะทำอะไรไปก็เฉยๆเห็นอะไรก็เฉยๆได้ยินอะไรก็เฉยๆใครชมก็เฉยใครด่าก็เฉยใครขโมยเงินเราไปก็เฉยเฉยได้ไหมโ <c ười> ยมคนค่อนข้างใจร้อนค่ะอาจารย์แล้วก็มันโตค่ะมันจะเร็วมากอันนั้นแหละป้าหมายก็คือต้องทาแบบที่โยมทากับเด็กน ะ, ะ, ะต้องเฉยๆเป็นกิริยาไป เขาก็คุณอาจารย์ถ้าไม่เป็นก็ต้องฝึกสมาธิฝึกสติให้มากขึ้นนั่งสมาธิแ่ะพอว่ามาเปิดพอยมเกษียณใช่ไหมคะโยมมาเปิดร้านดอกไม้แล้วก็ไม่ค่อยได้ปฏิบัติสักเท่าไหร่อะคะ่ะแล้วก็พอเดินจงกรมสักแปดเก้าก็ไปแล้วค่ะนั่งสมาธิสักแป๊บนึงก็ไปแล้วค่ะมั น, ม, นมันไม่ไม่แข็งแรงพออ่ตะสติก็ทําไปท่างที่ทําได้ไี่ก็ไม่ทําลยสาธค่ ะ, ะพยายามทําไปเท่าที่เราทําได้ แล้วมีโอกาสเข้าไปอยู่หาที่สงบไปชา ต, ติแบทเทิลไปเพิ่มกำลังคิดว่าอาจจะเป็นปลายมกตาลาหรือไม่ก็ต้นมีนาก็จะไปเขาชีโอนอีกสักรอบค่ะไม่ไหวแล้ว อ, อยู่แบบนึ อ, อต้องไปบ่อยๆนะเป็นเหมือนกับชาบติแบบค่ะใช่ค่ะทุกข้ า, าดดอาจารย์หมดสำถามค่ะหมดแล้วนะนมีใครไหนกระถางวะแอลวันจันทร์มาตรการอาของงานวันจันทร์ อดีซียาถามไหมคะพระอาจารย์คะตอนที่หนูบอกว่าาลองหลับแล้วมันเรียกอะไรนะนอนแล้วอิจจิตมันดิ่งลงง่ายที่ง่ายใช่ไหมคะ mm hmm. อมสองสามวันถัดมาค่ะก็ลองจะนอนอีกเหมือนกันค่ะแล้วมันก็ดิ่งลงดิ่งลงไปค่ะแต่ว่าคราวนี้รู้สึกว่ากลายเป็นว่าเอ๊ะมันง่ายเกินไปหรือเปล่าเลยลองลองกลับมาดูซิว่ายังรู้สึก ในร่างกายหรือเปล่ากลายเป็นว่ามันก็ลุบไปอะค่ะก็ไม่ต้องไปไม่ต้องอะไรรู้เฉยๆดีกว่ามันจะดีก็รู้ว่ามันดีจะยากจะง่ายก็ไม่เป็นไรเพราะบางเวลามันง่ายบางเวลามันก็ยากได้มันไม่แน่นอนเราอยากไปหวังให้มันง่ายทุกครั้งไปแล้วกันเดี๋ยวพอวังบางครั้งหวังว่ามันไม่ไม่ง่ายมันก็จะเครียดขึ้นมาแล้วแต่มันอยู่ที่สติของเราแต่ละช่วงช่วงไหนมันเยอะมันก็ลงง่าย ช่วงไหนมันน้อยมันก็ลงยากแต่อย่าไประหยัดให้มันลงยิ่งอยากมันนี่ไม่ลงไเลอที่ได้ครั้งแรกพอสองสามวันก็ไม่ไม่ได้ค่ะแล้วพอเริ่มปล่อยป่อยมันถึงจะเริ่มตรงเองใช่พอประหยาดมันปั้มมันก็จะไปควางกันทีต้องปล่อยวางอย่าปยะหยาดให้มันเพรงแต่พรกคับประคองมันด้วยสติให้ลุ้งเฉยเฉไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งอก็ทําไปแล้วก็ แล้วก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆการปฏิบัติมันก็ไม่เหมือนกันทุกครั้งมีได้บ้างไม่ได้มากดีบ้างไม่ดีบ้างก็อย่าไปอย่าไปไปดำลงนมนะเพราะสติเรายังไม่ยังไม่สถียนยังไม่ต่อเนื่องอสติเรายังขึ้นขลงลงอยู่ชีวิตเรายัางมีเรื่องราวต่างๆก็มารบกวนใจมันก็เลยทำให้บางทีก็ลงบางทีก็ไม่ลง พอสําคันก็ให้เราฝึกสติไปเรื่อยๆก็แล้วกันโยงขออนุญาตตะข้อหนึ่งนะคะอาจารย์เอคือเมื่อก่อนเนี้ยค่ะอาจารย์บอกว่าเวลาขับรถให้ไม่ให้ภาวนาใช่ไหมคะให้มีสติกันขับรถแต่ว่าโยงก็มาเจออันนี้เผื่อว่าเป็นแนวคิดเดียวกับผู้อื่นนะคะคือตอนนั้นโยงขับรถแล้วก็มันเข้าเหมือนมันเข้ารวังค่ะอาจารย์ ไปกับสองคนแบบพี่เขาพี่เขาก็นั่งนิ่งๆไปอะโยงก็ขับรถแต่มารู้สึกเบาแล้วก็สบายมันมันมั น, มนเบาสบายค่ะแต่จยท่านพี่เขาเรียบโยงขนยานะคะป้อมๆ้อมทำไมขับรถเป็นอย่างงี้โยมก็พอรู้สึกตัวแต่ไม่ได้ตกใจนะคะก็สาวพวงอะไรขึ้นมานิ่งๆมีเบาเบาค่ะแต่ว่าอันนี้คือข้อที่ว่าอาจารย์บอกเสมอว่าอย่าอย่าภาวนาตอนที่ขับรถใช่ไหมคะ ยมก็เจอ<ช>จกับเองแล้วค่ะเพราะว่า <ยง S 1> ถ้าเกิดเจนั้นเข้าไปน่กเดียวมันไม่ดูรถมันไม่ดูถนนน่นยุ่งใช่ค่ะพอลืมตาขึ้นมาเห็นไม่ใช่จริงเหมือนก็ออกพอวาวังอะคะ<ม>่ะรถห่างกับต้นไม้ประมาณรูปเดียวแต่ เ, เป็นหนึง่งรูเองอันนี้คือ<ม>พออาฟังอาจารย์พูดอ๋อเออ น, นี่ไงเราเจอกับตัวเองแล้วอันนี้ก็เลยมาเพื่อว่าว่าจะได้เป็นข้อคิดเกี่ยกับผู้อื่นที่ฟังอยู่ค่ะเวลาทำอะไรอยู่ต้องอยู่กับงานที่เราทำ อย่าไปภาวนานอกจากวันใจมันจะไปที่อื่นเราก็ใช้พุโทโธนึงกลับมาได้แต่เดิมให้มันกลับมาที่งานอย่าไปอยู่กับอย่าไปอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวจนกระทั่งลืม ง, งานที่เราทําไปใช่ค่ะบางทีก็เผลอตัวพุโทโธพุโทโธเสร็จแล้วนึกทุนได้ก็ดูถนนดูรถอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะมันจะดูดงานดูถน น, นดูงานที่เราทําอยู่เป็นหลัก เดี๋ยวงานงานมันจะเสียหายเดี๋ยวทอดไข่มันนะไม่หม้ <c oughs> ไม่ดูไข่เดี๋ยวปล่อยเ ด, ยพดีพูดโทรพูดโทรเดี๋ยวขยไข่ไหมเราก็พุณค่ะอาจารย์ค่ะโอเคแต่ใช้แต่ใช้พูดโทรได้ถ้าเกิดเวลาใจมันเผลอไปคิดเรื่องนู่นเรื่องนี้ไม่ยอมอยู่กับงานที่เราทำเอาใช้ <c oughs> พูดโทรเดินกลับมาได้แต่ให้เดินกลับมาอยู่กับงาน <c oughs> โอเค ขอบขอบพระคุณอาจารย์สาธุท่านสาธุอาจารย์ขอบพระคุณค่ะคุณเจริญอาจารย์้าไปที่ท่านต่อไปคุณหมอพิเชษอยากขอทามอใชคุณหมอกล่นมัธการพระอาจารย์ครับยมได้อ่านข้อธรรมะของพระอาจารย์ได้กล่าวถึงทุกในขันนั่นแหละกับทุกในจิตแล้วก็อุเบกขาในขันกับอุเบกขาในจิต ขอควาเมตตา อ, อาจารย์ช่วยอธิบายได้นะครับโอเคเวทนาในขันก็คือเวทนาที่เกิดจากร่างกายเดี๋ยวแล้วันวันห น, นึ่งเราก็รับเวทนาจากทางร่างกายเดี๋ยวก็สดบ้างเดี๋ยวก็ทุกบ้างเดี๋ยวก็ไม่สดไม่ทุกบ้างเนี่ยจำเป็นเวลาหิวข้าวแล้วก็เราก็เรียกว่ามีทุก็เวทนาหรือเวลาเรานั่งทำานแล้วมันเมื่อยมันเจ็บ เจ็บกล้ามเนื้ออะไรต่างๆนีก็เป็นทุกขเวทนาเมื่อเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไข้เราก็มีทุกขเวทนาอันนี้เป็นทุกขในขันนะไม่ใช่ทุกขในใจทุกขในใจก็คือเวณาที่เกิดทุกขเวทนาทางร่างกายแล้วมักจะมีทุกขในใจไปด้วยทุกขในใจก็คือเครียดขึ้นมากับความความทุกขทางร่างกาย ใจไม่ไ ม, ไม่ไม่สบายตามด้วยอันนี้เรียกว่าทุกเในจใจนี้บางทีทุทกสองอันนี้มันมากจะเกิดพร้อมๆกันสําหรับคนที่ไม่เคยปฏิบัตินะอร่างกายทุกใจก็ทุกตามด้วยใจก็ไม่สบายใจก็เครียดเพราะใจไม่อยากให้มีทุกขเวทนาไม่อยากให้นนใร่างกายไม่สบายไม่อยากให้นนใร่างกายหายความอยากนี่มันอะไไปทําให้เกิดทุกทุกทางใจทุกทางใจนี้เกิดจากความอยาก ส่วทุกข์างร่างกายเกิดจากความแปลบวญของร่างกายร่างกายมันแปลบวนไปมันนั่งมันงามันก็เจ็บมันเจ็บไข้ได้ปวด่วยมันก็มันก็มีทุกขเวทนาทีนี้ที่ถามว่าอุบเบกขาทํางทางท า, งทางขนันนี้ก็เวทนานี้มันมีอยู่สาม่งมีทุกขเวทนาแล้วก็มีทุกขแ ล, กกแล้วก็สุ ข, ขเวทนาแล้วก็มีอันกลาง เรียกว่าไม่สุขไม่ทุกข์แต่บางทีคนก็ใช้ว่าอุเบกขาเวทนาแต่ควาจริงไม่ใช่อุเบกขาเวทนามันไม่สุขไม่ทุกข์เพราะเวทนาไม่ได้เจ็บไายได้ป่วยอแต่ก็ไม่รู้สึกมีความสุขเฉยๆอย่างนี้มันก็แ ต, แต่ถ้าได้ได้กินอะไรเราจะเอามือขึ้นมาเรื่ารู้สึกสุขขึ้นมาอันนี้ ก็เบ่งสุขเวทนาอ่อันนี้อุเบกขาเวทนาไม่มีนะเขาเรียกไม่สุขไม่ทุกข์อยู่ระหว่างการอยู่ระหว่างสุขกับทุกขเวทนาบางทีเราสุขบางทีสุขก็เวทนาเกิดจากว่าที่ได้อาบน้ําอาบน้ำแล้วย็นสบายใช่ไหมออันนี้ก็สุขเวทนาเวลาไม่ได้อาบน้ําร้อนร่างกายร้อนก็ทุกขเวทนา พอได้อาบน้ําก็เป็นสุขเวทนาพอเวลาก็อยู่เฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ได้อาบน้ำแต่ใจก็ไม่ละละทางร่างกายก็ไม่ร้อนเฉยเฉยกางกลางเป็นเวทนาทางทา ง, ทางขันทางร่างกายส่วนใจน้องนี้มันบางทีก็มันก็ทุกกับเวทนาแต่ละชนิดละแต่งลง แล้วแตความอยากบางทีไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เบื่ออยากจะให้มันสุขเนี่นเยเอี่ยให้มันสุขขึ้นมาก็เลต้องไปหาอะไรทําให้มันสุขเช่นไปหาอะไรดูไปหาอะไรฟังแบบนั้นกินมันก็เป็นเรื่องของทําใจดูแบบหาทางใจก็คือใจเนิ่มสงบใจไม่เครียดกวนใจไม่มีอะไรใจเฉ ย, ฉย ครับเวตนาทางกายทำทำร่างกายทำขังจะสุขก็เฉยจะไม่สุขจะทุกข์ก็เฉยไม่สุขไม่ทุกก็เฉยถ้าเราฝึกสติให้เข้าสมาธิได้เราก็จะมีไหวตั้งใจอันนี้แหะเป็นตัวเบ็ดหางขลงใจจะเฉยเฉยไม่มีอารมณ์กับเมตนาทางร่างกายร่างกายตัวร่างกายมันปลี่ยไป ไอ้ไข้ไข้ซึก็รู้เฉยๆไปไม่ไปรู้สึกไม่สบายใจอะไกับควาวะบาดเจ็บไข้ในปวดร่างกายถ้าเราฝึกสมาธิล้วก็จะมีเวทขาแล้วเราฝึกปัญญาสอนใจว่า่างการมันก็เป็นอย่างนี้เม่ธารมดางร่างกายมันก็แปลกูนไปเแล้วก็ฝึกเนี่ยก็ยกทุกข์เราห้ามันไม่ได้มันเป็นธรรมชาติไม่มีใครเป็นคนสั่งมันมันเป็นไปตามเหตุตามใจ ใครที่มารับรู้ก็ให้รู้เฉยๆไปถ้าไม่อยากจะทุกข์ทใจด้วยแยกแยะเอานะสองอย่างไม่ไม่เหมือนกันแต่มันมักจะร่วมทา ง, งานร่วมกันถ้าไม่เคยฝึกน่พอร่างกายเป็นอะไรก็จะดีใจเสียใจยไปกับร่างกายเแต่ถ้าฝึกแล้วก็จะเฉยๆดีใจก็ไม่ดีดีใจก็ติด อเดี๋ยวเวทนาที่เราดีใจก็เสริมเวทนาให้ไปเราก็จะเสียใจแล้วก็จะทุกข์ขึ้นหน่เวลเจอทุกข์กเวทนาก็ต้องเฉยๆอย่าประยากให้มันถ่ายเวลาสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ก็ฝึกอยู่กับมันไปทําใจให้เป็นอุเบกขาไปมันไม่ยอมเฉยก็ใช้พุโทโธพุโทโธพุโทพโธท่องไป ที่เรามาฝึกพุ่มไม้ก็คือฝึกใจให้เป็นอุเบกขาเราฝึกได้ใจฝึกให้มันเป็นอเบกขาได้แต่เวทนาเราไปสั่งทางน่านเวทนาทางการเราสั่งมันม่ไดมันเป็นสภาวะธรรมที่มีเหตุมีปัจดัยทาให้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามภาวะต่างๆเวลาเราต้องรู้จักอยู่กับมันให้ได้ฝึกใจคนน้อยรับรู้อยู่กับมันได้ให้รู้เฉย เวลาเกิดสุขเวทนาก็ใช่เวลาเกิดทุกขเวทนาก็ใช่เวลาเกิดไม่สุขไม่ทุกขเวทนาก็ใช่เวทนาทางขันนี้มันเป็นวิจาทุกขอนาตาส่วนทุกขทางใจนี้มันเกิดจากความอยากเกิดจากกิเลสอันหาอันนี้นเราเราดับมันได้ควบคุมมันได้ อย่าวังเสรนี้ก็เพิ่มรดับความทุกข์ทางใจล้วไม่สามารถไปดับความทุกข์ทางร่างกายได้ในฐานพระพุทธเจ้าก็เจ็บเวลาร่างกายเจ็บพุทธเจ้าบอกโอ๊ยเหนื่อยร่างกายร่ากายเพี่ยวอุ้ง พ, พาเรานอนทักหน่อยนี่นี่นั้นเป็นขันวิธนาะทุกข์ทางทางขันแต่ไม่ได้ทุกข์ทางใจใจของพระพุทธเจ้าเป็นประมังสุขคมน่งตลอดเวลา แต่ร่ากายมันหิวน้ำก็เราหาน้ําให้มันดื่มบองันไปหยิบน้ําไปตักน้ําให้ดื่มน้ําการมันหิวแต่ใจไม่หิวเหมือนคนขนับรถอะขับไปเครื่องมันร้อนน้ํามันแห้งก็เรงไปเติมน้ําให้มันใช่ไหมแต่คนขับไม่ได้หิวนะ้ำคนขับมีมีเครื่องมีงเครื่องดืมงด่มก็กินเดืดอดในตลาดเวลาก็าไม่หิว เข้าใจานะต้องเข้าใจแยกแยเอาอย่างนี้ทุกทางกายทุกทางขันกับทุกทางใจมันเรื่อกันโอเค okay, นะขอบคุณครับอาจารย์โอเคไปที่คนธรรมดามุวันราชธานีกราบนพัสก า, า, าเจ้าป่าพระอาจารย์ลูกเข้ามากราบพระอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะโอเคย้านไปที่อาจารย์โพรบิไล ขอรรมอายงานอาจารย์ครับูกุลยืนขบวนวสการค่ะบรรดูกุคยืนอาจารย์พรยังไงบ้าค่ะพอาจารย์สบายดีนะคะอาจาเขาวันวันที่หนึ่งที่พระอาจารย์รับบาตนะคะถึงเป็นพันคนไหมคะเยพันสี่ร้อยหกสิบน้เท่าที่จำได้เพราะว่า ดูเฝ้าดูอยู่ตลอดแล้วรู้สึกคนเยอะมากใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงค่ะสองชั่วโมงเลยไม่ได้สังเกตไม่ได้ดูเวลาเกือบสองชั่วโมงเลยเกือบสองชั่วโมงคนเยอะมากตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นแถวไปถึงปลายแถวก็ไม่มีขาดสายใช่ก็เฝ้าดูอยู่คนมาจากทั่วสารทิศฮะเรียกฟูมมีคนมีศรัทธาเยอะค่ะมองดูทุกคนมีความ พมปิติมากที่ได้มาตักบาทในวันที่หนึ่งกับพระอาจารย์ก็ดีก็คนให้คนให้ก็ได้บุญแล้วของที่เหลือก็ให้คนยากคนจนที่เขามาขอแบไปก็เหมือนเป็นสันด์ะคร์ให้กับเขาไปได่เห็นได้เป็นสันด์ตอรไม่ต้องเอาถุงเท้ามาห้อยเอาถุงมาใส่แท่ค่ะ ผมยังได้ไปกราบพระอาจารย์ค่ะเออได้ไปตักบาตรไดบบ้ไปทีส่สเมื่อไหร่ก็เชิญมา่ะโอเคน ะ, ะ ก, นาการรักษาการที่ใหม่ค่ะอ่อเป็นปางเ่อไรจักศรีราชาจำรักษาการจาคะค okay, ะไม่มีคำถามเจ้าค่ะโอเคหมอภาฒนาจากกองทวมหมอ ค่ะหมอไม่ได้เปิดไปอ่ะได้กลับในมรดกการค่ะพระอาจารย์ค่ะก็รู mm ้ึกเอ่ยยังรู้สึกดีเลยค่ะพระอาจารย์แล้วก็มีข้อสอบปีใหม่เลยค่ะก็ก็ญาติสนิทเลยค่ะเดี๋ยวน้องแค่สามน้องตัวเองแค่สามปีค่ะก็เสียเสียบอกว่ากระทันหันเลยคือบอกว่านอนหลับแล้วก็เสียไปก็ก็ยิง่งก็กลายเป็นคนเป็นหลักคือบอกว่าก็ช่วยเขาก็ดูแลแม่เขาให้เขาไม่เสียใจแล้วถามดูใจตัวเองก็เพอเอิญเราเร า, เราทํา คือแบบทําปฏิบัติมาก็เลยใจก็ไม่ ก, ไมก็ไม่กระทบแล้วพระอาจารย์ก็นิ่งแล้วก็ยังช่วยเหลือผลรอบๆได้อ่ะ mm hmm. แล้วก็อีกอย่นึงที่เห็นคือรู้สึกเลยว่าคนเรามันไม่แน่นอนจริงๆเลยคือมันมันเมื่อไหร่มันไปมันอะไร ม, มันตายก็ได้หมดเลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยยิ่งรู้สึกว่าเราต้องเล่นความเพียรคามพระอาจารย์แต่ว่า น, นี่ยประมาทพระเจ้าบอกสังข า, างรทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงใช่ยิ่งดีๆอยู่เลยอะ่ะ ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมเลยความไม่ประมาทเลยไม่ประมาทก็คือต้องเอาเวลาที่เรามีอยู่มาให้กับการปฏิบัติเพื่อการหมดค้นให้ได้มากที่สุดแล้วทำทาไม่ทําให้พ้นก็ทําต่อชัด เ, เกิดมาทําต่อแล้วก็อ<ม>ีก<ม>อย่างหนึ่มมองอามันมองมันมั น, ม, นมันกับมองเห็นข้างนอกได้ดีขึ้นคือเวลาขับรถนะคะก็เห็นเห็นกิเลสของคนเลยว่าแบบเออเขายึด เหมือนกับว่าแบบยึดมั่นถึงมั่นในตัวแล้วทะเลออกกาะกันเห็นแบบรถแรง บ, บ, แ บ, บแีแรงรถมอเตอไซค์แล้วก็มอไม่หลบปุ๊บ ก, ก็ชนกันเลยแบบ ก, กูแบบเห็นแล้วแบบรู้สึกเลยว่าคือมันมันเป็นกิเลสที่เราพอเราเห็นเราก็กลับย้อนกลับมาดูตัวเองใช่ไหมคะพระอาจารย์ว่าเรา อ, อย่าอย่าไปดูกิเลสของคนอื่นดูกิเลสของเราดีกว่าย้อนกลับมาย้อนกลับมาว่าเราเราเราขัว่าเราต้องไม่มีอย่างนี้คือมันมันเหมือนกับใช่เห็นเลยว่าเออมันุกิดโยโย่อะที่มันทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ ก็เลยมีคำมีคาถามอันนึงของกับเรียนถามว่าอาจารย์ว่าเอ้ยเคยฟังว่าอาจารย์บอกว่าบอกว่าถ้าเราจะถือสินให้มันบอว่าเยอะๆเนี่ยให้มันเหลืออันเดียวพระอาจารย์เคยตอบแล้วแต่จําไม่ได้ว่าถ้ามันเหลือข้อเดียวที่ที่เหมือนกับว่าจะได้บอกเออดูว่าเราจะถือตรงเนี้ยเป็นถือสินเพื่อจะกักกันกองกิเลสอ่ะมันมันต้องถืออะไรอะพระอาจารย์ที่อาจารย์เคยตอบมันจำหามตัวใจก็ตัวที่กระทำความเผิดสินเนี่ย ก็คือต้องเข้าสมาธิเข้าไปให้มันถึงจุด o อุเบกขาก็คื อ, <พ>อถือศีลคือไม่หมายถึงว่าอยู่ที่อุเบกขาแล้วเวลามันทําอะไรออ๋ oh. มันก็จะรู้ว่าผิดหรือถูกอยู่ในใจถ้ามันมา oh. ทําลายอุเบกขาถือว่าผิดแล้วอ oh. <Okay. S 1> ๋อค่ะงั้นก็ง่ายก่อนค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะเพราะว่าไปหาไว้ม่เจอก็คือถือเขาคือพยายามจะเข้าถึงตรงนี้แล้วก็ดูดูที่ใจตัวเองค่ะพระอาจารย์อย่างนั้นก็ไม่ขอบพระคุณค่ะ <Okay. S 2> ถูกใจคุณออมอยากบวมินกลับมาแล้วเลยกลับมาอยู่บวมินแล้วลยค่ะนำมัส ก, การค่ะกลับมาแล้วค่ะวันที่สองก็ไปตักบาค่ะพระอาจารย์ค<ด>่ะไปอยู่บ้านอาทิตย์หนึ่งพ่อบอกว่าลูกสุขภาพจิตดีค่ะค่ะท่านบอกว่าเหมือนก็เหมือนเราไม่ สุขภาพจิตดีอะค่ะพระอาจารย์นี่ไงไม่ม <starter> ีป no <hasta> ัญหาเลยเหมือนอารมณ์ดีอย่างนี้ไหมคะค่ะค่ะไม่ไปไม่ไปสร้างปัญหาให้กับคนอื่นเหมือนใช่ค่ะแล้วก็เหมือนไม่หงุดหงิดอารมณ์ร้อนอะไรอย่างเงี้ยมั้งค่ะอ่าค่ะนีค่ะพยายามรักษาไว้นะอยาก็ได้ฝึกจากที่พระอาจารย์สอนค่ะอดี ใจยังต้อต้องทําต่อนะอย่าเพิ่งหยุดนะหยุดเนี้มันหายนะค่ะกลับบ้านก็ตอบลนไปเรื่อยๆค่ะก็มีนั่งสมาธิเช้าบ่ายอยู่ค่ะค่ะแต่ไม่ได้นั่งทั้งวันนะคะเออก็ดีทําไปเรื่อยๆทําให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะร่างได้ค่ะค่ะไม่มีคําถามค่ะค่ะคะขอบคุณอันนี้เป็นเอกเชียงรายเอกเชียงราย การมรสการพระอาจารย์ครับเป็นยังไงครับผมก็สัปดาห์ที่ผ่านมาได้เป็นปีคู่เวคครับอาจารย์วันที่ยี่สเก้าถึงวันที่หนึ่งคับอาจารย์ก็มันก็สงบครับพระอาจารย์แต่ว่ามันจิตไม่รวมมั น, ม, นมันเหมือนจอดจอจะรวมอครพระอาจารย์มันก็ไม่รวมครับแต่แต่ก็อย่างย่าไปอย่าไปจ้องมันให้อยู่กับพูดโทรอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ครับผม อยากไปเจามือดูทุกนยิ่งไปเฝ้าดูให้มันรวมันยังไม่รวมอย่รก็เราไม่ได้อยู่กับพุทโธแล้วเราต้องกลับมาอยู่ที่พุทโธอย่างเดียวครับผมครับก็สนใจที่รวมไม่รวมไม่เป็นไรครับก็สานที่โกวิเวกดีครับอาจารย์เดี๋ยวก็เดือนหน้าอาจจะแทนไปอีกไปทดสอบอีกครับอาจารย์เครับเราไปแบรลอยทำไมแบบลอยครับผมเพราะว่าไปในช่วงเอ่อ ช่ใกล้สิ้นปีคือมันต้องอาจจะมีคนเยอะหน่อยมันไม่เต็มที่ครับอาจารย์อ uh, ต้องต้องไปช่วงที่ไม่มีเทศกาลอะไรประมาณเนี้ยครับอ่ครับโอเคร <Okay. S 2> ครับผม <Okay. S 2> ก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็มารับฟังพระอาจารย์นะครับก็ขอพระอาจารย์ท่าขันแข็งแรงครับผมสาธุ yeah, <I> ครับผมสาธุ uh, uh, คุณพงพันอยากคอนแทน ราบน้มรักากา ร, การพระอาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างครับผมวันนี้ก็มออีอยากจะมาเล่าผลของการปฏิบัติช่วงวันที่สามสิบเอ็ดหนึ่งสองมาเาถวายพระอาจารย์ครับก็ขอให้สรุปหน่อยได้ไหมเพราะว่าคนอนได้ครั บ, รบจากจากที่ได้สอบถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องว่า ลูกศิษย์จะนั่งอยู่ในห้องคนเดียวโดยไม่กระทาภารกิจใดๆนะครับอาจารย์เป็นเวลาหกชั In ่วโมงนะครับอาจารย์ก็ปรากฏว่าได้ครับทำได้ครับแต่ว่าความทรมานมันจะเกิดขึ้นชั่วโมงแรกครับอาจารย์ทรมานมากคือกระซับกระส่ายับอยากทำนู่นทำนี่เต็มไปหมดเลยครับครั้งที่เราไม่ได้คิดอยากจะทำอะไรนะครับแต่ก็อยู่ได้ด้วย ออย่างที่พระอาจารย์แนะนําครับว่าวงของการปฏิบัติอยากทิ้งตั้งแต่เรื่องสติสมาธิสวดมนต์ครับ เ, เ, เรื่องนี้ครับก็ทําวนไปอยู่เหมือนก้นนะครับพระอาจารย์จ น, นกระทั่งส่วนความอยากมันก็ลดลงและก็เบาลงใช่ครับเห็นเลยว่าชั่วโมงที่สองที่สามมันจะเบาลงเบาลงาจนกระทั่งชั่วโมงที่หกปั๊บเนี่ยคือทําสมาธิได้ง่ายมากครับพระอาจารย์สเสติเรามีกําลังมากขึ้นนะ เชื่อมกับความอยากได้ครับ<ม>แล้วก็หลังจากเอกระทําตรงนี้ไปแล้วก็เลยได้หลักคิดเรื่องของการทําสมาธิการเจริญสติครับ<ม>ที่เคยสอบถามพระอาจารย์ไว้เมื่อช่วงกลางเดือนว่าะจะเจริญพุทโธเป็นอารมณ์ก็เลยเล่นทั้งวันเลยคือพุทโธต้องเป็นอารมณ์กับทุกสิ่งเลยอ<ม>ทีนี้เออ่ก็เลยจิตเกิดความสงบมากครับเมื่อสองวันที่ผ่านมาครับก็เลย เป็นความสุขพิเศษที่บอกไม่ถูกครับอาจารย์มันมันมันสุขอยู่อย่างนั้นเลยครับเป็นความสุขแน่วบบสุขทั้งปววแล้วเวลาเรานึกถึงทีไรมันมันก็จะเป็นความเพิ่มปิติแล้วแล้วเราก็เหมือนน้ําตาจะไหลตอดเวลาต้องพยายามคต้องทำมันบ่อยๆทำอยู่เรื่อยๆทําตั้งมันเป็นเป็นนิสัยมันเป็นับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเลยให้มีความสุขนี้อยู่กับเรา ไม่ว่าเราจะอยู่ในสมาธิเรื่องออกมาจากสมาธิกล้ายมันเย็นสบายครับถ้ามันไม่เยน็นไม่สบายก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ครับทางปัญญายังไม่ต้องกังวลมาก ต, ตอนนี้ฝึกสมาธิฝึกสติให้มันให้มันชํา د าญก่อนครับพระาอาจารย์อสําหรับของผมก็มีมาเล่าถวายพระอาจารย์เพียงเท่านี้ครับคิดว่าคิดว่าอยากจะกลับไปนอนอีกสักหกชั่วโมงไ้วไม่แน่แล้วแต่ถ้ามันดื้อมากแ<อ><ๆ>ล้วปลามันหน่อย ใช่ครับคิดอย่างนั้นเลยครับว่าถ้าเกิดว่าดื้ออีกก็ต้องจับพักหน่อยแล้วครับแต่ว่ า, วาคั้งงไว้ในห้องคําไว้ในกองแต่ว่าก่อนหน้าที่จะทำก็คุยกับทางครอบครัวว่าอยากจะเปลี่ยนบ้านเป็นวัดนะสามวันที่ที่หยุดนีเ่เขาก็สนับสนุนดีครับก็ส่งข้าวส่งน้ำ ไ, <c oughs> ไม่ต้องไปวัดก็นด้นด้วทาทีา่บ้านกันกบ ก็ได้ผลมากก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์มากที่แนะนําสั่งสอนครับใช่มันไมไ่อยู่ที่สถานที่อย่างเดียวมันอยู่ที่การปฏิบัติของเราด้วยครับบางทีไปอยู่ที่สงบสงัดแต่ใจมันคิดกุ้งซ่านก็ไม่ไม่ไม่เกิดประโยชน์นะครับพระอาจารย์อืดีมากพยายามขังตัวเองไว้พยายามตัดรูปเสียงกินลดไปความอยากในรูปเสียงกินรดต่างๆเนี่ยที่รเราให้นั่งหรือใช้ก็เือตัดความอยากในรูปเสียงกินลดต่างๆ อยากจะดูนั่นอยากจะฟังนี่อยากจะไปทรงนูง้นอยากจะมาตรงนี้คมันเป็นการมาฉายตาของมันครับแล้วก็มีเ อ, อสุดท้ายครับอันนี้มาจะไม่เล่าแต่ก็ปบทเล่าไม่ได้ตอนที่ทําสมาธิแล้วเออ่เจอความสุขที่มันรู้สึกติดแน่นอยู่ในใจนะครับพอออกจากสมาธิมาแล้วมันมันมันมันนั่งอุทานกับตัวเองว่าหลวงพ่อพูดถูกหลวงพ่อพูดถูกที่สุดแล้ว คือคือมันอุทานอยู่อย่า ง, งายากครับอยู่ในใจว่าหลวงพ่อผู้ถูกที่สุดแล้วทําสมาธิสัญญาอะไรเกิดขึ้นนิมิตอะไรเกิดขึ้นผวังอะไรเกิดขึ้นเวทนาอะไรเกิดขึ้นเราอยู่กับพุโทโธเป็นอารมณ์ครับแล้วมันมันมันจะถึง่อย่างนี้เราไม่ไปถึงจุด น, นั้นได้ถ้าเราไปสนใจกับสิ่งงา่หรือที่ปรากฏขึ้นมาครับน้องทางเมื่อน้องทางครับอ่าไปผิดทางต้องไปกับพุโทโธอย่างเดียวเด็ดกับพุโทโธไปอย่างเดีย อย่าง เ, ยงเท่านี้ครับเหม น, มนสบายพุทธการในป้าหล า, หานลุงท่านก็อุานสุกน้องสุกน้างสุกนอป้าเด็กกคิด่าท่านาไม่มีสติแล้พระพุทธเจ้าพุเจ้าก็เรียกมาสอน้อาลุงนี้ท่านก็บอกว่าท่านเคยเป็นเศรษฐีมีการมีความก่อนอวน่ยแต่ไม่เคยเจอความสุขแบบนี้มาก่อนเลยออกวได้ครับได้ความสงบได้ดุจพระนี่มารู้สึกว่ามัน สุกน้อยเนี่ยถ้าอดพยายามทานออกมาไม่ได้มันก็มีคนทักท้วงอยู่ครับเดินยิ้มอะไรเดินยิ้มอะไรเขาเขาเาก็สงสัยว่าเราอยู่คนเดียวแล้วก็เดินออกมาแล้วยิ้มอะไรอครับอาจารย์โอเคดีมากนะก็พยายามปฏิบัติต่อไปนะครับก็ให้สุขภาพร่างกายอาจารย์แข็งแรงครับการนันกรรครับในที่อาจารย์พัทธากรตาอาจารย์เขาทอมน้อย การนมัสการครับครับแล้ววันนี้มีข้อข้อสงสัยจะมาสอบถามครับโอเคก็คือว่าจากจากที่ ท, ที่ที่วันนี้เราคุยกันที่ทุกท่านคุยกันเนี่ยก็คือจ ร, จริงๆแล้วเนี่ยโอเคแล้วผมเข้าใจในระดับของความสุขก็คือความสุขในรูปกลิก่นเสียงกับความสุขที่เป็นความสุขจากความสงบเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยที่พระอาจารย์สอนเนี่ยคือสอนให้ให้มีอุเบกขาก็คือให้ไม่ทุกข์ไม่สุข แต่พอแต่พอปฏิบัติไปเนี่ยเรากลับได้ความสุขที่เกิดจากความไม่อยากอย่างนี้ครับมันมันสุูญหายแล้วเนี่ยเราจะควรวางอารมณ์ก็คือเป็นอุเบกขาหรือว่าเราจะได้วางอารมณ์ว่าได้ความสุขจากความไม่อยากหรือมือมันยังไงกันแน่ครับอ๋อมันมเป็นอัตโนมัติมันเป็นของมันในตัวมันทั้งอุเบกขาทั้งเป็นความสุขแล้วก็ทําให้มันไม่มีความสนใจกับความสุขแบบนั้นเลย เมือนคนกินข้าวอีกมอีกมข่อีกมแล้วเขไม่ไม่อยากจะกินอะไรแล้วไม่อยากจะทําอะไรแล้วอ ย, อยู่เฉยๆไม่ความสุขสาเหตุที่พวกเราวิ่งกันวุ่นไปหาลาบยศสา ร, รเสริญหาลูปแสงเก่นแล้วก็ใจเราไม่สุขเนี่ยใจเราไม่สุขมันก็เลยต้องวิ่งหาลาบยศสา ร, รเสรินมาให้ความสุ ข, ขมับเราจากความสุขจากลาบยศสา ร, รเสริญมันเป็นความสุขชั่วคราว เวลามันเปลี่นไปหมดไปมันก็ทำให้เราทุกข์ขึ้นมาเนี่ย <c oughs> เราไม่ต้องการหาความสุขแบบนี้เราต้องการหาความสุขที่ไม่ที่ไม่มีวันจางจากใจเราอยู่กับใจไปเรื่อยๆแล้วมันจะทำให้เราเฉยกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้เพราะมันไม่มีความหมายกับเราแล้วเราไม่มีความ หิวโหยเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นใจรักเห็นว่าอันที่จากทุกข์กับอาตาก็าเราได้ของที่ดีกว่าเหมือนถ้าคุณได้รถใหม่ดีกว่ารถเกา่ามันยังจะขับรถเก่าอยู่ห่ะยกหลกเจากคนหน่งไปขับรถใหม่นะความสุขทางใจมันก็เป็นเหมือนของใหม่ความสุขรูปแบบให ม, ใหม่ที่เราไม่เคยมีมา ก, ก่อน อราได้แล้วที่เราก็ทิ้ความสุขทางตาจะหมดนิ่กายได้ทางอ้าวทุสรทุเสถียรได้ไม่ทุกข์กับมันไม่มีมันก็ไม่ทุกข์มีมันกมหมดไปก็ไม่ทุกข์ถ้ายังมีอยู่ก็อยู่กับมันไปถ้ามันยังมีความจำเป็นจะต้องใช้มันก็ใช้มันไปแต่ใจไม่ก็ดีใจเสียใจกักับมันก็คือก็คือเมื่อพูดก็คือกล่าวคือว่าก็คือ ปลายทางเมื่อได้อุเบกขาเนี่ยความสุขที่เกิดขึ้นก็คือมันก็เป็นผลอัตโนมัติไปเลยใช่ไหมครับมันมัาพร้อมกันความสุขที่เกิดจากความสงบเมื่อได้อุเบกขาเนี่ยมาพร้อมกันนแต่เราก็ต้องพยายามปฏิบัติให้อุเบกขามันอยู่กับเราตลอดเวลาใช่เราต้องใช้สติฝึกสติเข้าสมาธิเรื่อยๆนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆฝึกสติถ้าไม่มีสติก็เข้าสมาธิไม่ได้ก็ต้องฝึกสติก่อน ในชีวิตประจําวันพยายามตระสติอย่าให้ใจคิดมากติดให้น้อยที่สุดที่เท่าที่จำเป็นแล้วนั่งให้มากมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็นั่งแทนที่จะไปคุยกันแทนที่จไปดูดูอะไรฟังอะไรก็นั่งสมาธินีกว่าถ้าไม่นั่งเข้ามาไม่ถึงระสติตัวเดียวยังไม่พอส ต, ติแล้วต้องมีการนั่งเฉยๆด้วย เราใช้สติเรามีการเคลื่อนไหวนี้มันจะเข้าไปถึงความสงบเต็มที่ก็คือถ้าถึงขั้นที่เราตตะเกลี่ยได้แล้วเนี่ยก็คือเราก็จะมีความสุขตลอเวลาโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ที่ที่เราต้องกลับไปนั่งสมาธิเพราะเวลาเราออกมามักจะเกลี่ยมันมักจะออกมามามาสร้างความมุ่นหมายใจให้กับเรา ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ไม่ก็จะตัดเป็นยังไงแต่ถ้าเราจะมีปัญญาแล้วก็จะสามารถตัดกิเลสได้เพราไม่มีกิเลสแล้วกนะ็ไม่มีตัวอะไรมาสร้างความวุ่นวายใจใจเราก็จะนิ่งจะสงบไปตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้เข้าไม่เข้าก็เท่ากันมีผลเท่ากันแต่เข้ากันดีตรงที่ว่ามันได้หยุดความคิดไปแค่ น, นี้ แลาเข้าสมาธิกันอยู่ความคิดได้เันที่แต่เวลาไม่ได้เข้าก็ยังคิดแต่ว่ามันไม่ได้คิดทำอิเลตมันก็คิดเรื่องไปตามตรักกะเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องตามภาพเป็นจิเวตาจนะตอนนี้ทําสติให้มากมาก่อนนะเลื่อนตาที่มาก็พูดโทเลยอย่าปล่อยให้ใจคิดยังไม่ถึงเวลาที่ต้องคิดก็คิดไปทำ ยัอยู่บ้านยังไม่ได้ไปที่ทํางานยังเพิ่งไปยังเพิ่งไปทํางานอยู่ที่บ้านทําทหน้าที่ที่บ้านก่อนอาบน้ํำน้างหน้าแปรงฟันไปก่อนทําแต่งเือแต่งตัวอะไรไปโดยที่ไม่ต้องคิดถึงเรื่องอะไรให้อยู่ขี่เกียเรื่องงานที่เราทำอยู่มาก่อนทีน่คือคาเพนคาคือรู้สึกว่าคือตอนนรู้สึกเป็นความรู้สึกส่วนตัวว่าไอ้เราเราใช้ความเข้าใจเป็นหลัก แล้วเราก็ฝึกสมาธิตามเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เป็นเป็นแนวแน ว, แนวปฏิบัติที่ที่ได้หรือไม่ได้ครับคือเราต้องได้เอาความเข้าใจในของแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วนังปฏิบัติอย่างไรอย่างอืนอย่าเพิ่งไปคิดให้มันเสียเวลาเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรคิดแนวว่าเราทำนี้จะทําให้ใจเราสงบนิ่งเป็นอุเบกขาไ ด, ได้ทํำยังไงให้คิดแข่งนี่ก็ แล้วพอละได้โมเบลขาแล้วทีนี้เราก็มาค่อยมาคิดแก้ปัญหาเวลากิเลสมันจะมาหนึ่งให้เราไปรักคนนั่นชอบคนนี้เกลียดคนนั่นเกลียดคนนี้เราก็ต้องมาใช้ปัญญาพิจารณาต่อทีแต่เรื่องต้นนี้ต้องสร้างโุเบลขาให้ได้ก่อนวิธีสร้างโมเบลขาก็เนฝึกสติ ให้มีสติอย่างต่อเ น, นี่อไม่ให้คิดอะไรอย่างที่คนเมื่อกี้เขาบอกเขานั่งชั่วโมงนะฝึกสติเนี่ยลองนั่งยังอยู่ในห้องรังด้วยก็หกชั่วโมงเลยเราใช้สติสู้มันนะถ้ามันคิดอยากนุกขึ้นมาล้าต้องหยุดมันให้ได้นะงนะนะพอ พอชนะความอยากลุกอยากทำนู่นทำนี่ได้ใจมันเย็นสงบไปในระดับนี้นะโดยที่ยังไม่ต้องเข้าสมาธิแล้วถ้านั่งหลับตาพุดโทรศัพท์ดูลงต่อได้ยังยม่ยึดเข้าไปลึกใหญ่เข้าไปในทพบแต่ความว่างเดียความว่างความสงบแล้วก็โอเบกะมันจะอยู่ด้วยการสานตัวนี้แล้วก็ตัวลูกเอกตรงสัตว์แตว่ว่า เราทําอยู่เราทำํำดูอันนี้เล่าไงก็เป็นเหมือนเหมือนกับคนไม่เคยกินทนเวเรียนเลามันหอมมันอร่อยไองช่็ต้องไปกินัาถึงจะรู้รกินเองโอเค okay, นะมีอะไรไหมกามรขอบคุณครับวันนี้เท่านี้ก่อนครับโอเคขอคุณจุกต่อคิวโปบย์อยู่ญี่ปุ่นตอนนี้เด็กว่างอย่างนะเกือบจะสิบเอ็ดโมงแล ถ า, ามามีอะไรอ๋อวันนี้ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์เข้ามา <Yeah. S 2> ฟังค่ะามาฟังดเฉยเลยอ่าโอเคสุขสบายดี Now. หนาวเลยนะใส่สเชื้อหนาวหนาวค่ะหนาวค่ะรู้สึกไม่ค่อยทนกับอากาศหนาวที่นี่เท่าไหร่โอเคซื้อบ้านราไม่ได้นะบ้านเราอากาศสบายนะอ่าไม่เป็นไรก็ฝึกเอาใช้พูดโท้พูดโท้อยู่กอบมันไปอ่า แต่พักพักนหนูมีนิวรณ์เกิดขึ้นนะคะพระอาจารย์ก็คืออมีออะไรความห่วงเหงาหาวนอนนะคะพระอาจารย์พอพระอาจารย์พอจะมีเทคนิคที่จะกินให้น้อยกินให้น้อยไงกินให้น้อยอ่ากินมื้อกินมื้อเดียวได้ยิงดีกินมื้อนี้แล้วกินไม่กินการเที่ยงวันไปแล้วอ๋อค่ะแต่พายายพระอาจารย์ลองกินแค่สองมื้อก็พอข้ากับกําวัน หลังจากกลางวันเวลาก็หลังจากเที่ยงแล้วก็ไม่กินอะไรอาจจะ ด, ดื่มน้าผลไม้ได้ถ้ารู้สึกว่าร่างกายมันอิอ่มโปรยมันอะไรลดการมายการกินอาหารหนักลงไปอย่าไปกินข้าวกินกับกินอะไรค่ะรับทราบค่ะพระอาจารย์จะนำไปปฏิบัติค่ะดูนะนะคะขอคุณค่ะเชิญคุณมาิการวลาที่ว่าอ จากน้ำมสัส ก, การเทุกขาพระอาจารย์เข้ามาฟังธรรมคุณพระอาจารย์แล้วก็กเจริญสติอยู่ประจําค่ะก็นั่งสมาธิตอนหัวรุ่งและต้นช่วงเช้าแล้วก็อนําคําสอนจากการฟังธรรมด้วยค่ะพระอาจารย์แล้วก็นามาปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะดีมากพยายามทําไปในห้านาท่านนะสาธุเจ้าค่ะโอเควันนี้คนบอลดีจากสุรินนะมุณบอลดีใ่ไหม เจ้าค่ะพระอาจารย์กับนมาศการเจ้าค่ะพระอาจารย์ mm hmm. อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้เข้ามาพอดีว่าที่โรงเรียนมีมีจัดกิจกรรมนะคะช่วงนี้ก็จะแบบดึกเป็นประจำเลยเจ้าค่ะวันนี้ก็เกือบไม่ได้มาแล้วมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งเจ้าค่ะพระอาจารย์ปกติหนูปฏิบัติในรูปแบบก็คือตอนเย็ยนจะฟังธรรมแล้วก็นั่งสมาธินะเจ้าค่ะแล้วก็มีโอกาส ปิดเทปฟังทำแล้วก็ลองนั่งเฉยๆกําหนดพุโทโธนะเจ้าคะ่ะเป็นบางโอกาสถ้าใจไม่ไม่วุ่นวายมากนะเจ้าคะ่ะก็เลยลองทําแบบนี้ดูอพอทําไปาก็จะมีหนูจําได้ว่าถ้าเกิดมีสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยให้ให้กลับมาที่พุโทโธใช่ไหมเจ้าคะตอนนั้นหนูมีความรู้สึกเหมือนมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเหมือนจะดนดูดเข้าไปในในใน ลำแสงที่มันอยู่ไกลๆนะเจ้าค่ะแต่ว่าก็ตั้งสติกลับมาได้กรณีนี้คือคือเราไม่ได้รู้สึกกลัวหรือไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะหรือเป็นภาพที่ไม่ดีเราพยายามกําหนดพุทโธพุทโธแต่ก็ไม่หายไปสักทีเหมือนกําลังสติอาจจะไม่พอเจ้าค่ะก็พุทโธ<น>ไมเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับภาพที่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็ทําความเข้าใจว่าภาพมันก็เป็นภาพเท่านั้นเองมันมันดูหนังผีไง มันทำเลยคนดูไม่ได้หรอกันดูว่าพุโทโธพุโทโธเลยอยา่าไปายากให้มันหายอยากยิ่งอยากมันยี่อยู่ไงให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธมันไม่ชีไ้ไปอ่าพระอาจารย์พอจะมีเอวิธีการบอกเออหนูไม่แน่ใจว่าหนูจะจะ จะทําได้ไหมเพราะว่าณตอนนั้นหนูเหมือนพยายามเจ้าค่ะแต่ก็เหมือนที่พระอาจารย์บอกเลยยิ่งอยากให้หายยิ่งไม่หายยิ่งชัดขึ้นอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะหนูก็เลยถอยู่พูดโทรไม่ได้ก็ถ้าอยู่พูดโธรไม่ได้อไไดลองสวดสวดพุทธังสานัง ก, กระชามิทำมังสานัง ก, กระชามิทั้งคำสานัง ก, กระฉามิไปก็ได้ค่ะหรือสวดยาวๆก่อนนั้นก็พุทธะอิติปิโสภะกวาอหังสัมมาสัมพุทโทธนสวดวนไปเรื่อย อืมค่ะไม่ว่าจะได้ยินเสียงหรือไม่ว่าจะเก็นภาพก็ตามใ ช, ใช่ไหมเจ้าคะถ้าใจเราไปเสียถ้าใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ต้องพยายามดึงมันกลับมาค่ะถ้ามันด้อยู่กับพุทโธไม่ได้อยู่กับมกลมก็ต้องดึงมันกลับมาอย่าไปตามภาพอย่าไปตามเสียงมันมันไม่จะจริงไม่จริงก็ต้องไม่สนใจใช่ไหมเจ้าค่ะไม่สนใจมันของปลอมนั้นนักไม่เริงมันนักว่ะดูหนักว่ะ เจ้าค่ะเิดเป็นคนสร้างยนังนี้ขึ้นมาสร้างภาพเสียงเหล่านี้ขึ้นมาสังคารภาพที่ปุงแต่งเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็มีมีอีกเรื่องหนึ่งเจ้าค่ะก็ได้พยายามกลับมามองที่ตัวเองเหมือนเหมือนพยายามดูความความคิดความเห็นตัวเองก็ได้ได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เพิ่งรู้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูหนูเพิ่งรู้ ซึ่งเข้าใจในเรื่องของเหมือนเห็นกิเลสในตัวเองที่บอกว่าเราจะมีความอยากความอิจฉาลิสยาใช่ไหมเจ้าคะ<ม>พอเราเห็นตัวเราเองเราก็เลยเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่เหมือนเราเห็นการกระทาของคนใกล้ตัวคนรอบตัวที่เขามีความอยากความอิจฉาลิสยาหรือว่าทำให้เกิดความขุ่นเคืองใจกันเนี่ยมันก็ย้อนกลับมามองที่ตัวเองว่า เราก็มีเขาก็มีก็เลยรู้สึกเฉยๆไปจากที่เมื่อก่อนก็จะรู้สึกแบบเอามาคิดเอามาพูดอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะแล้วก็แล้วก็ตอนนี้ก็คือไม่ไม่รู้สึกว่าโกรธเขาเกลียดเขาหรือไม่ไม่ชอบใจเขาไม่ว่าเขาจะพูดดีหรือไม่ดีหรือจะทำให้เรา เ, เสียหายหรืออะไรเงี้ยเจ้าค่ะเหมือนกับเหมือนกับเห็นว่า ตัวเราก็เคยเป็นนะเมื่อก่อนนะเจ้าค่ะดีแต่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปนะเจค่ะเป็นเรื่องของบีเลททุกคนทุกคนก็มีบีเลทเหมือนกันเจ้าค่ะแล้วเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เจ้าค่ะขึ้นเข้าใจหรือเจ้าค่ะเราห้ามใจเราก็อย่างเดียกวก็พอเราอย่าไปยุ่งของเขาว่ามันเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้พยทยามปล่อยพยายามปล่อยวางนะปล่อยวาง ใครจดีใครจะช่วยกของเขาไม่ต้องไปดีใจไม่ต้องไปอิจฉาเขาไม่ต้องไปเสียใ จ, จเป็รื่องของเป็นความเป็นเรื่องของบุญสงกรรมของเขาที่เขาทำอะไรเขาก็ได้อย่างนั้นเถ้าเราอยากจะได้เหมือนเขาเราก็ต้องทำของเราไปเจ้าค่ะแล้วก็ยยไม่ได้ก็ถืงว่ายังไม่ถึงเวลาอือค่ะมีมีเหตุการณ์หนึ่งที่เมื่อเมนะื่อปีใหม่น่ะเจ้าค่ะพอดีว่า เอมีการแบ่งแบ่งที่ทางอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะแล้วก็มีการลุกล้ำเรื่องของที่ทางใช่ไหมเจ้าคะก็เป็นที่ของหนูเองที่ถูกลุกล้ำเข้ามาซึ่งครอบครัวเขาก็จะแบบโมโหแทนเราอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะแต่ในความรู้สึกของหนูตอนนั้นหนูหนูมีความคิดว่าทุกคนเขามีความอยากเพราะฉะนั้นแล้วหนูก็ไม่ได้ไปสนใจด้วยค่ะว่าเขาจะลุกล้ำเข้ามาม า, มากน้อยขนาดไหนหนูหนูไม่ได้ให้ความสนใจเลยเพราะว่า ในความคิดหนูตอนนั้นคือหนูมีความเข้าใจว่าทุกคนเขามีความอยากถ้าเขาจะทําก็ให้เขาทําไปอย่างงี้นะเจ้าค่ะได้ไปก็ไม่มีครได้ไปทุกคนเนะเจ้าค่ะได้ได้ทำมัดใช่เจ้าค่ะดีดีจริงๆเจ้าค่ะพอพอเราพอเราเอกมาดูใจตัวเองเราเห็นตัวเองเราก็เลยเห็นคนอื่นเราก็เลยทําให้เราเฉยเฉยอย่างงี้นะเจ้าค่ะสงบมากๆเจ้าค่ะนี่พยายามทําให้ได้ทุกเรื่องนะกับทุกเหตุการณ์ จะพยายามเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนนี้อาจจะแบบไม่ไม่หนักก็เลยอาจจะแบบเฉยได้แต่ก็จะพยายามฝึกไปเรื่อยๆเจ้าค่ะมันก็แบบเดียวทั้งแบบแบบนั้นแบบแบบเดียวกันวิธีแก้ก็แก้แบบเดียวกันเนี่ยแต่ยากง่ายก็เพราเราไปให้คํามสำคัญกับของนั้นถ้าของไหนเราลักมากไปมันก็ปล่อยยากอืของไหนที่เราไม่ค่อยรักมันก็ปล่อยง่ายใช่ไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ โอเคนะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะอาจารย์คุณศุภธนารังบรมินชลเล่กลับมาักการพระอาจารย์เจ้าค่ะตอนแรกก็จะไม่ไม่ได้กลาบเรียนพระอาจารย์อวานนี้ได้ได้ฟังธรรมตอนบ่ายสองพระอาจารย์ก็บอกว่าปีใหม่เนี่ยให้ให้เราอธิษฐานแล้วก็ตั้งสัจจะกับตัวเองว่าจะทําอะไรมากขึ้นก็ได้ได้ได คำสอนของพระอาจารย์เมื่อวานโยมก็เลยตั้งตามที่พระอาจารย์สอนเจ้าคะ่ะก็เหมือนกับมาตีตีครอบการปฏิบัติของตัวเองว่าให้มีการปฏิบัติมากขึ้นโดยที่ทําให้มากขึ้นเจ้าคะ<อ>่ะอาจารย์อแล้วก็ไม่ผัดวันประกันพรุ่งนะเจ้าคะ่ะอาาทํเหมือนก็พยายา ม, ต, ามตั้งไม่โกโ ก, โก้เดี๋ยวถึงเวลาก็เหมือนเดิมไม่คะ่ะก็คือเหมือนกับว่าเรา โยมโยมที่ว่าโยมตั้งสต่จักับพระอาจารย์ก็ต้องทําให้ได้พระอาจารย์ก็ตอนนี้ก็เหมือนกับเอ่ออย่างอย่างที่น้องเขาบอกว่ามีการหยุดยาตัวเองก็ทําทําได้มากขึ้นจาา้าค่ะแล้วก็เรื่องสติก็ก็เพียร น, นอกจากว่าเราจะพุโทโธแล้วเราก็อยู่กับกายให้มากขึ้นทุกพระอาจารย์แต่เรื่องนั่งสมาธิอาจะยั ง, ย, งยังนั่งไม่ได้นานแต่เราพยายามพยายามไม่ไ ม, ไม่ไม่ให้คิดฟุ้งซ่านนะคะพระอาจารย์ พยายามมีสติอยู่กับตัวเองนะะอย่างน้อยก็รู้แนวทางเนียรู้แนวทางการปฏิบัตินะเจ้าค่ะก็พยายามพยายามเพียนตรงนี้อยู่เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็บางบางครั้งเวลาเผลผอๆก็จะมีคําสอนพระอาจารย์เข้ามาในในใจเจ้าค่ะพระอาจารย์มันก็เป็นเหมือนแรงกระตุน้นให้ให้ให้ว่าตัวเองต้องปฏิบัติให้อยู่สม่าเสมอเจ้าค่ะยังไงก็ขอพ่อคุณพระจากนี้แล้วค่ะยินดีที่สุค่ะ สูส้ต่อไปนะสู้ไม okay. ่ถอยนะลูกหาอาจารย์ปันใจจช่ไหมอาจารย์โอเคยินดีตายินดีจากแคนซัสอุเอสเอสสวัสดีค่ะท่านอาจารย์บังจูอาจารย์วังจูบังจู how are you fine and you s u r p r i s e and s u r p r i s e no work today Holiday or snow? No holiday. Holiday. d okay. a d m i n i s t r a t i v e duty. You like your new job? You like your new place? Any anywhere in the world is okay. As long as you get money, right? Make money. <laughs> need, need food sometimes. Yeah. Yeah. Okay. m i t i m e yeah, Jan. Poor. 哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎 o 哎呀，哎呀， ไม่รู้จะไปถึงไหมคะไม่ทราบว่าจะไปถึงหรือเปล่าหนูก็ก็ต้องคือตามหน้าที่อะค่ะท่าอาจารย์ตามรัฐบาล่ตามไปเก็ส่งไปไหนก็ไปนะค่ะ Do your job, do your j o be b happy with it where where you are yeah Good. maybe next time you come back and work in Thailand สาธุค่ะท่าอาจารย์สาธุค่ะท่านอาจารย์พอดีผมไดอยู่ทหา่าอาจารย์ <So S 1> แล้ววั น, นี้คือของเคลียของที่โรงแรมอะค่ะเพราะเม uh, ื่อวานขอมาหมดเรียบร้อยแล้วค่ะ uh, แล้วก็เดนิมูฟก็เคลียเนี่ยกำลังเคลียกันอยู่ค่ะแล้วเดี๋ยวก็เช็คเอาต์วันนี้ค่ะ So you moving into your new house today? Yeah, that's <Okay. S 1> good. Good. Alright, good to see you. Good to see you too. And bonne année et bonne santé. Okay, same to you. Good health, long life. Okay. สาธุการสาทุการท่านอาจารย์คท่านอาจารย์เอ่อว่าพอหนูได้ยินเ อ, อคุณหมอภาสนาค่ะที่ที่ที่คุณหมอภัสนาพูดอะค่ะว่าจําไม่ได้และมันมีเทปธรรมะของท่านอาจารย์ไม่ทราบว่าปีไหนค่ะแบบมันเก่ามากแล้วค่ะแล้วก็หนูเคยฟังอันนี้ค่ะแล้วมันจําจับใจคือคนที่ถามท่านอาจารย์นะคะคือชื่อซาร่าค่ะก็ถามท<ม>่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ค่ะ อหนูอยากรู้มากเลยค่ะว่าถ้านอาจารย์อ่ะแบบเอการปฏิบัติของของท่านอาจารย์เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ข้อคะแบบเอของที่การเป็นเป็นท้าอะค่ะของท่านอาจารย์มีทั้งหมดกี่ข้อคะหนูว่ามันเยอะมากเลยแล้วท่านอาจารย์ทํายังไงนะคะแล้วทั้งหมดมีกี่ข้อคะหนูหนูอยากจะทราบอะค่ะแล้วท่านอาจารย์ตอบว่าอ๋อเออมันเยอะมากแต่ไม่รู้หรอกว่ามันกี่ข้อแต่ที่รู้ว่า เอมันของเราอ่ะเราไม่รู้หรอกว่ามันกี่ข้อแต่ที่ ร, รู้คือมันเป็นอัตโนมัติไปหมดแล้วที่ท่านอาจารย์ตอบเขานะคะ<ม>เป็นอัตโนมัติไปหมดแล้วเหลืออยู่แค่ข้อเดียวเท่านั้นของเราก็คือใจเท่านั้น<ม>ที่ท่านอาจารย์ไปตอบค่ะแต่ส ม, มัยก่อนแล้วทำมาสมัย<ม>ก่อนหน<ม>ูค<ม>่ะซึ่งหนูแบบจับใจตรงจุดนี้มากเลยค่ะท่านอาจารย์ก็กเลยจาได้<ม>คะ ดูดูข้อเดียวดูที่ใจนะให้มันสงบ อ, อย่างเดียวถ้ามันสงบแลนะ้วมันก็ไม่ไปทําอะไรให้เกิดความเสียหายกับใคร่อีถ้าไม่สงบก็เดียวมันก็ไปแล้วเรื่องกับคนนนั้เรืกก่องของวันนี้ก็เลยแบบ <c oughs> จําได้ตรงเนี้ยค่ะกะเ็เลยแบบอย่าก็ต้งทำไม่ได้นะเดว่าต้องทําไม่ได้นะพยายามอยู่คะ่ะท่าอาจารย์ก็ ได้เยอะแล้วค่ะได้ได้ไ ด, ได้ได้เยอะแต่บางครั้งบางคราวกิเลสมันมันมันก็โผล่เหมือนกันนะคะถ้ามันเก่งมาเรามันเก่ง่าเรา <c oughs> มันยังมาเราก็ได้โดยเฉพาะคนใกล้เนี่ยคะ่ะคนใกล้ที่อยู่ใกลเนี่ยคะ่ะตัวแสบ อ, อป่าด็สําคัญมีตัวนี้คะ่ะแต่คนนี้โอเคคะ่ะคนนี้คนนี้คนนี้มามาม า, มาได้มาได้แล้วนะคะถ้าอาจารย์คืออย่างทุกวันพั้นเนี่ยค่ะไม่ไม่ทานเข้าเย็นไง อ่าโอเดีดีเขาเขาคือคนนี้ง่ายนะคะท่านอาจารย์แต่คนคนที่อยู่คนที่อยู่ใกล้ท่านอาจารย์ขอให้ท่านอาจารย์เมตตาเขาเยอะๆเลยค่ะทอาจารย์เลเราเราต้องปล่อยเราต้องนินเฉย ไ, ได้ไม่ยุ่งกับเขาทําไมแบบคือคือเขามีบุญที่ได้มาเกิดเป็นครอบครัวของแม่ค่ะค<ม>ือแม่ใส่ในรถไฟจุดหมายปลายทางเดียวกันแต่ไอ้นี่ชอบชอบทะเลทะเละมมันมันไม่ไป บารมีไม่เท่ากันทำบะสร้างบุญมาไม่เท่ากันกูก็เลยโชคดีที่ยังมีอาจารย์คอยเป็นล่อโพล่องไปให้เขาอะค่ะแต่แต่ให้อาจารย์เคก่ยวหัวอาจารย์ก็ดูแลดูช่วยเขาไปดูเข้าไปแต่ไม่ต้องไปทุกข์กับเขาหรอกนะเขาจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องบุญกรรมของเขาได้ได้เยอะแล้วค่ะอาจารย์แต่บางครั้งบางครั้งมีนิดหน่อยกิเลสโผล่แต่ก็รู้ค่ะว่าออกมาแล้วมาล้กิเลส เขาเขาโตกว่านี้แล้วถ้าเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรกับตัวเขาเองก็ช่วยไม่ได้นะไม่ใช่เด็กๆค่ะขอบพคุณมากเลยค่ะขอบพคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะท่านอาจารย์โอเคโอ้ว่า okay. right. goodbye see you next time <See> you. have a nice day thank you สาค่ะอจย์สุคอจาย์สายทิพ ต, ตอนนี้อยู่ค้อนแกนนะ การนมักการพระอาจารย์ตจอาค่ะวันนี้อยู่สรารคามค่ะทีสารคามค่ะอยู่เวรหรือเปล่าไม่ได้อยู่เวรนะวันนี้ไม่ได้อยู่เวรค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามีสอนถึงหกโมงครึ่งค่ะอยู่เวรนี่อยู่ที่ขอนแก่นไม่อยู่ที่สรารคามถ้าเวรนี้อยู่ที่สรารคามค่ ะ, อ, ะอยู่ใกล้ใกล้ขวัญข่ายาใกล้ม อ, ลลมอเลยค่ะพระอาจารย์จากคอนโดสองนาทีค่ะก็เลยอยู่ได้อยู่กันกับเพื่อนสามคนค่ะพระอาจารย์สลับกันี มันอยู่เวอมีรายไดพิเศษเอ่อค่ะใช่ค่ะเผื่อเป็นช่องทางที่จะลีฟตออกจากงานกันค่ะเอาไว้เป็นฐานไว้เผื่ออนาคตค่ะพระอาจารย์ได้ค่ะมีอะไรไหมคืนนี้ก็ยังสีนแปดอยู่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็ฝึกสติมากขึ้นค่ะพระอาจารย์พยายามตื่นมาปุ๊บก็พูดโทรปั๊บค่ะพระอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอยู่กับมีสติมากขึ้นค่ะพระอาจารย์ แล้วก็พอนั่งสมาธิมันก็มันมัน ก, มนก็มันก็เข้าได้แต่ว่ายังไม่ลึกค่ะพระอาจารย์ก็นั่งไปแล้วก็เหมือนแบบรูบนิดหน่อยค่ะแล้วก็ก็อยู่ตรงนั้นได้แป๊บนึ่งค่ะพระอาจารย์แล้ว ก, ก็ถอยออกมาเราก็นั่งต่อว่าเดีอย่าพยายามใจเย็นๆใจเย็นๆทำไป <c oughs> เรื่อยๆอย่าท้ออย่าท้อนะตัว <c oughs> ท้อนี่เป็นตัวตัวที่จะทําให้เราแพ้นะเราต้องไม <c oughs> ่ท้อ แต่เราก็ไม่โลภเราก็ทําไปเรื่อยๆได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นค่ะแล้วก็เหมือนตอนที่นั่งสมาธิเหมือนพอมันจะคิดแล้วจิตมันรู้มันมันเห็นว่าเอ้ยจะคิดแล้วมันก็ก็ก็หยุดได้ได้เร็วขึ้นค่ะพระอาจารย์เหมือนเอาจะไปแล้วมันก็ก็ดึงกลับมาจุดน <laughs> ั้นมีกําลังมากขึ้นเร็วขึ้นค่ะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวพยายามให้ให้มากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์เหมือนแบบเวลาที่ต่อไปก็คือคิดว่าถ้าคุยกับ กับใครก็จะพยายามมีมีสติเวลาที่พูดด้วยค่ะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่หลุดไปเหมือนคุยคุยเพลินไปเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารพตที่จะเป็พูดที่จะเ ป, เปค่ะ ม, มีวันหนึ่งนั่งสมาธิแล้วตัวมันจะนิ่งๆค่ะพระอาจารย์แล้วรู้สึกเหมือนจิตหรือใจมันมันแยกมันแต่ว่าไม่ได้ออกจากล่างนะคะพระอาจารย์แต่ว่ามันรู้สึกว่า ไใจมันมันเหมือนอยู่ตรงตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวมันอีกอยู่อยู่เป็นแบบตัวเหมือนมันแยกกันอันนี้มันเป็นความรู้สึกหรือว่ามันมันเป็นลักษณะของสมาธิคะพระอาจารย์มันก็เป็นทั้งสองอย่างมันก็ใจพอมันสงบมันก็จะเริ่มรู้สึกแยกออกจากร่างกายไปค่ะก็ไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจสนใจอยู่ที่เขาให้มันสงบให้มันไม่วุ่นวายให้มันมีความสุข แล้วก็เห็นว่าทุกอย่างที่ทุกก็คือใจเราจริงๆแล้วจัดการที่ใจก็ไม่ทุกนะคะพระอาจารย์แต่ใจเพรามันฝันมันก็ทุกเราไม่ทุกกับเรื่องเรื่องนี้เองค่ะก็เลยเออจริงๆแล้วอยู่ที่อยู่มันแบบพอมันจะทุกเราก็รู้เราว่าเป็นที่ใจของเรานี้เองค่ะพระอาจารย์ก็คงต้องจัดการจัดการใจต่อไปเราทุกเราหาวิธีดับทุกข์ให้ได้คหาปัญญามาดับมันให้ปล่อยวางให้ได้นะ ค่ะจะพยายามค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะวันนี้ไม่มีคำถค่ะสาทุกค่ะขอบคุณซันนี่แบงค์คอร์ดซันนี่ได้ยินไหมยารนามัสการค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมวันนี้เข้ามาร่วมฟังธรรมไม่มีคําถามค่ะโอเคยิงไปที่คุณแานต่อแนนและคุณนค่ะการนมัสการค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามค่ะ โอเคงนคุณทีทิศฤษร์มมกัมรกรครับขอบพระคุณ่านอาจารครับอาจารย์อ็อ่าผมปฏิบัติอย่างที่ครั้งที่แล้วได้ของพระอาจารย์บอกว่าอย่าไปคาดหมายคาดหวังแล้วก็ไปเฝ้ามองก็เริ่มดีขึ้นครับแบบนั่งแบบไม่ต้องคาดหวังอะไรแบบจะสงบก็สงบไม่สงบก็ไม่สงบ แต่ให้อยู่กับพุโทโธให้ไม่ทิ้งไปไหนออแล้วมันก็สงบมากขึ้นจนลึกขึ้นลึกขึ้นครับเ อ, อดีดีขึ้นเยอะเลยครับมันต้อมีเวลาถูกใจไว้ใช้พุโทโธถูกใจไว้ถ้าไม่มีพุโทโธแล้วมันก็มันก็จะเละ้ทะไหลไปสเปกสเปกไปทาแบบไม่ไม่ได้คิดอยากจะจะเข้าไปถึงจุดที่สงบที่สุดตรงนั้นมันก็จะแล้วมันเป็นความคิดที่นั้นนั่นยา่ อยากก็เป็นการทิ้งอะไรบางอย่างไปอยากอยากอยากครับถ้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวเลยเวลามันทิ้งขึ้นมาก็เอาพุทโธย้อนกลับมามันก็ค่อยๆนิ่งลงไปนิ่งลงไปอืมครับอาจาแล้วในช่วงกลางวันมันรู้สึกรอบๆตัวมันเัยเหมือนันมันเป็นยั้ไงนะหรือแบบเหมือน่ารอบๆตัวสิ่งรอบตัวเรารู้สึกว่ามันเรามันรู้สึกเฉย มันเป็นูเบ็ดข้าวเฉยเมนูเบ็ดข้าวมันเหมือนมันไม่มีอะไรรสชาติไม่น่าตื่นเต้นไม่เฉยเฉยเฉยเฉยแต่ก็ไม่ทุกกับมันนะไม่ทุกกับอะไรแต่ก็ไม่ยินดีกับอะไรไม่ยินดีร้ายกับเฉยมันเหมือนมันแบบนิ่งๆเออยังไงก็ได้อะไรก็ได้แบบมันเฉย อันนี้ผลจากอุเบกขาใช่ไหมครับอาจารย์ใช่แต่ก็ต้องไปาูถว่าวัน น, นู้นเฉยได้ขนาดไหนเนี่ยไปเจอใครก็ด่าเราคนไ ห, หนดยจะเฉยได้ครับตอนที่ไม่มี ไ, ไม่ได้ไปสัมผัสอะไรไม่ก้า จ, จะเฉยได้เนี่ยเก <mp> ิด <Later. S 2> ใครมาขมโมยของเราไปจะเฉยได้บ้างหใครมาแย่งอะไรของเราไปต่อหน้าต่อตายจ ะ, <Agre ed. S 2> จะเฉยได้บ้าใน anyway พูดไม่ดีกับเราจะเฉยได้บนะ้าง S <S ต้องมีข้อสบอบทดสอบด้วยครับแต่เวลาอยคนเดียวมันก็อาจจะเฉยได้พอเวลาไปสัมผัสรับรู้กับเรื่องราวต่างๆนี่มันเนี่ยมันา จ, จะเผยพับมันก็แล้ก็กิเลสมันก็ออกมาเต้นกันทีเลยแล้วอย่ที่สติปัญญาเราจะทำมันหรือเปล่าหรือมันให้มันกลับเข้ากลงได้เป่าครับอ แต่ก็แต่ก็ดีนะก็ต้องมัน ต, ตอนนี้เราปฏิบัตินี่เราต้องจะอยู่ที่คนเดียวไม่มีใครมารบกวนใจเราต่อไปเราจะนั่งไปทดสอบว่าเวลามีคนมารบกวนใจเราเรายังเฉยได้เปล่าอือถ้ามีคนมาวุ่นวายกับเราแล้วเรายังเฉยได้ไหมอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไม่งั้ก็แสดงว่าเราทําการบ้านได้แต่เวลาไปทํามพอสาบพ่อสาวตกที่ทําการบ้านก็เพราะที่จะไปทํามพสอสาวที่ เวลาเราปฏิบัติคนเดียวเนี่มันกำลังทําทํกาก็ทำการบ้านอยู่วเวลาเราไปเจอเการกต่างๆเนี่ยมันปานนั่นแหละมันเหมือนไปเข้าห้องสอบไปทำข้อสอบยังเฉยไม่ต่อไม่ได้ป่ะถ้าเฉยไม่ได้นี่แสดงว่าเราส <c oughs> งบไม่พอต้องกลับมาฝึกเพิ่มใช่มครัแล้วก็จะยังไม่มีปัญญาด้วยอันที่ ถ้ามอไปเจออะไรต่างๆในีันเดีอวนี้เราใช้ปัญญาช่วยหรือไมต้องใช้สติพุทธวุฒโธเฉยไว้อาจารยครับแล้วออผมนึกย้อนกลับไปตอนมีที่นานๆแล้วที่เคยสงบ ค, ครั้งแรกๆครับแล้วมันแบบอัศจรรย์ใจมากๆแล้วก็ เ, เป็นแรงให้เราได้ปฏิบัติมาเรื่อยๆแต่มันนานมากแล้ว แล้วในปัจจุบันนี้เวลาเราปฏิบัติไปเรื่อยมันมันไม่มีอศัศจรรย์ใจอะไรเพิ่มมันจะเป็นเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยเรื่อหรือว่าจะมีขึ้นมาอีกอะไรอย่างนี้ไหมครับใน อ, อ๋อมีมันยังไม่ถึงขั้นเขาขั้นที่มันจะให้ความอัศจรรย์ใจกับเราอันยังไปไม่ถึงจุดนั้นอาจจะต้องเป็นขั้นปัญญาต่อไปเวลาผ่านทุกขเวทนาได้เวลาผ่านควนามตายได้มีอัศจรรย์ใจอืมครับครับ อันนี้ยังขั้นสมาธิอยู่ขั้สติอยู่แต่เราได้ฝึกสติไปก่อนให้มันทานาจก่อนให้มันแน่นก่อนให้สมาธิเราแน่นแล้วก็ไปทันปัญญาต่อไปถ้าไม่แน่นไปก็มันก็ร่ำเร็วดีๆนะครับ้าจแล้วนะครับขอบคุณครับ อ, <Okay. S 2> อาจารย์ครับขอบคุณนะอัญยาณียัยเป็นอัญยานีทำงานลำบากอย่างนี้น มันกลับถึงบ้านแนละ้วยังไม่ได้เปิดไม่กลับนมัสการเจ้าค่ะอ่าเป็นยังไงการปฏิบัติธรรมก้าวหน้าค่ะช่วงสามวันที่ที่ยุดยาวช่วงปีใหม่ค่ะก็ได้ใช้บ้านเป็นเหมือนเหมือนวัดค่ะพระาอาจารย์ตลอดก็นิ่งขึ้นเมื่อมีการมีคนมาทดสอบสภาวะธรรมเราก็ คิดว่าได้อยู่ค่ะพระอาจารย์นิ่มากขึ้นค่ะคิดว่ามือนฝนตรกแดดออกนะสิ่งตง่างๆมันเป็นธรรมชาติที่เราไปควบคุมเอาค้านไม่ได้ค่ะก็คิดว่าการปฏิบัติ ด, ดีกว่าทุกอย่างเลยฟังธรรมฟังธรรมอ่านหนังสือก็สู้การปฏิบัติไม่ได้ค่ะพระอาจารย์เห็นแล้วค่ะได้แต่ก็ต้องฟังเพื่อจะได้เข้าใจไม่งั้นจะปฏิบัติไม่ถูกนะนถ้าเรามีทั้งสองอย่างควบคู่กันมาช่วยกัน ค่ะแต่แต่เข้ามามารับรับพลังจากพระอาจารย์แน่นอนค่ะเพราะว่า ม, มาฟังก็ได้ประโยชน์กลับไปค่ะพระอาจารย์ใช่ใช่แต่การปฏิบัติมันดีกว่าการการฟังการฟังอย่างเดียวไม่ปฏิบัตินี้ยังไม่ได้ผลเจ้าค่ะแก็ต้องฟังต้องศึกษาบางเรื่องปฏิบัติไม่ถูกอีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อ okay. มีอะไรไหม ก็วันนี้ยังไม่มีคำถามค่ะแต่ว่าถ้ามีปัญหาเดี๋ยวจะกลับเข้ามาถามค่ะอาจารย์โอเคเอาไปเยอที่ความนี้ก็ได้ความรในแต่ละคนที่เขามีปัญหานี่แล้วมีประสบะการณ์เราฟัแล้ว า, าก็เอามาสอนใดเราได้ใช่ค่ะค่ะน้ำแข็โอเคแบบที่พณคุมต่อทุ่มคอธรณ์ตอนนี้ยังไม่ทัหนักเยอะอ่ะ ครับสุนารอาจารย์ครับตอนนี้ผมยังลดอยู่ครับแต่ว่าช่วงปีใหม่น้ําหนักเพิ่มมาหกโลครับกินมาเลยฉลองปีใหม่เนะยตอนนี้ก็ไปเจอครอบครัวมาครับก็ต้องมีนําบพวก <c oughs> รครับะพระาจารย์ครับก็วันนี้มีคําถามครับพระอาจารย์ครับก็คือเท่าที่ผมมีความเข้าใจจากที่ได้ลองปฏิบัติตามในฐางะพระอาจารย์คือว่าเราฝึกสมาธิเพื่อเอาอุเบกขาออกมาใช่ไหมครับแล้วก็ ตอนที่เรากําลังเจอปัญหาเนี่ยเราก็ใช้ปัญญาซึ่งปัญญาเนี่ยเราอาจจะต้องรู้แล้วก็คิดก่อนเป็นจิตตานะปัญญาพอเราฝึกได้บ่อยมีสติตลอดมันก็จะเหมือนประมาณว่าถ้าสีมาเดี๋ยวปัญญามันก็จะตามมาอย่างอัตอนมัติเป็นกายเป็นภาวนามป็นปัญญาเองใช่ไหมครับใช่เราต้องซ้มกันนั่งมวยต้องซ้มชกก่อนถ้า<อ>ไม่ซ้ำชกเดี๋ยวขึ้นเวทีชกไม่ออกมันมจะชกออย่างไงครับคือคือคือจากที่ผมลองทํามาหลายเดือนก็บางปัญหาเนี่ย ปัญญามันมาตกลงมัติผมก็เพิ่งเข้าใจว่าถ้าถ้าสติมาเดี๋ยวปัญญามันจะตามมาเองแต่ว่าบางบางปัญหาเนี่ยเหมือนเราจะต้องคิดเอาก่อนซึ่งแบบนี้ก็ทําไปก่อนได้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ถ้าเราไม่ได้ทําการบ้านไว้ก่อนเวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาก็ตอบไม่ได้รครับเราทําการเตรียมการบ้านไว้ก่อนคิดไว้ก่อนพอเกิดเหตุการณ์จริงแล้วก็จะทําการบ้านได้ทำบบทบทวนข้อสอบได้อาจารย์ครับตอนนี้ผม เพิ่งสังเกตตัวเองครับว่าผมยังหลงในความสุขจากสารเสริญครับพระอาจารย์ครับเหเหตุปัจจัยเนี่ยมันมาจากการที่ผมยังปล่อยวางร่างกายยังไม่ได้ครบรอเอร์ซ็ใช่ไหมครับมันเหมือนเรายังยึดร่างกายเราอยู่หรือเปล่าครับมันก็เหตุจากความอยากอยากให้คนเขาย่งย่องเราไม่อยากคนขเขาทำหนี้เราครับทีนี้เราเราจะพ<า>ิจารณาว่าสารเสริญนินทา น, นี่เป็นของเป็นเหมือนกับธรรมชาติที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ ใครก็อยากจะสรระแสงก็เรื่องของเขาครับใครก็อยากจะด่าเราก็เรื่องของเขาครับครับอาจารย์ครับเราไม่ได้ดีชื่อไปกับคำสาระแสงหรือคำด่าของเขาครับอาจารย์ครับก็ตอนนี้คือผมรอนั่งสมาธิครับโดยพยายามนั่งเกือบจะทุกวันแล้วครับช่วงนี้แต่ว่าพยายามเก็บชั่วโมงจนตอนนี้สามารถนั่งได้เกินชั่วโมงนะครับอาจารย์ครับคําถามคือว่าตอนที่เรานั่งไปเรื่อยๆแล้วมันมีความสุขเกิดขึ้นแต่มันก็มีเวทนาที่มาเป็นกังวล ซึ่ ง, งขึ้นแข็งๆตามจุดแบบเนี้ยครับทีนี้ถ้าผมอยากถ้าผมอยากจะทนไปโดยใช้ความมั่นใจว่ายัางไงทนไปยังไงเราก็ไม่ตายแบบนี้ได้ไหมครับมันมันสามารถทําได้ครับอาจารย์ก็ลองดูเลยแ้่แต่มันจะทนไม่ไหวหรือเปล่าถ้าถ้ า, ถ, าถ้ามันจะทนไม่ไหวก็ใช้พูดโธพูดโธไปจะช่วยไดุ้ธครับอาจารย์ครับผมจะแยกการปฏิบัติเป็นสองรูปแบบครับ ถ้าผมอยากได้ความสุขเพื่อได้อุเบกขาผมจะนั่งครับแล้วทุกครั้งที่ผมนั่งผมจะดูลงส่วนบางคั้ตร ม, มันหายทุกครั้งครับฝึกเป็นความเชื่อชาแล้วครับแต่ว่าช่วงเนี้ครับผมมีความเข้าใจว่าเหมือนตัวร่างกายเนี่ยมันไม่ใชต่ตัวตนผมอยากมีความเข้าใจจากจิตของผมเองอก็เลยลองเข้าไปแต่ว่ายังไม่ทําให้ลมมันหายไปครับก็พยายามที่จะดูร่างกายตอนนี้มันแข็ ง, ขงครับก็เลยจับสภาวะเหมือนเป็นเซ็นเซอร์ที่เรารู้ได้ว่าในร่างกายเราอย่างอวัยวะที่เป็นหัวใจ หรือชีปประจอนะครับผมตามดูไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามันแบบบังชัดแบบบางทีเหมือนเรานิ่งมากๆเป็นชั่วโมงเรารู้ได้ว่าเส้นเลือดเราบางจุดเหมือนกาลังขยับได้แบบนี้ครับถ้าผมฝึกแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเหมือนมันใช้ว่าเป็นภาวน า, น ป, า, วนานปัญญาได้ไหมครับอาจารย์เพดูความจริงของร่างกายก็ดูเห็นว่ามันเป็นเหมือนลน้นยนต์ขันเลยเราไป็นคนขับเราไม่ใช่มันดูยังไงก็ได้ขอให้ดูว่ามันไม่ใช่เราเราไม่ใช่มันครับพอาจารย์ครับ ผมก็เหมือนมีความเข้าใจว่างเหมืนโอเคถ้าเราใช้ชีวิตอย่างนี้เราเจอผู้คนบางทีเราก็ยังยึดว่าเราเป็นตัวเป็นตนอยู่คนระับผมก็เลือกซะว่าถ้าเราใช้คําว่าปฏิบัติแล้วอ่ะเราควรจะนั่งเต็มรูปแบบแล้วก็ดูร่างกายไปแล้วเฮ้ยร่างกายมันไม่ใช่ของเรานะมันเป็นอะไรไม่รู้ที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยผมก็จะได้มีความช่นงได้ได้ก็มันไม่เราเป็นเซนต์ที่มันมันเป็นธรรมชาติของมันอะ่ะมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามมารักของมัน ทำไปห้ามันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้ครับพระาจาร์ครับก็วันนี้เข้ามาฟังประสบการณ์ของพี่พี่ทุกคนครับแล้วก็เราก็ฟังฟังครับพระอาจารย์ครับโอเคสาธุ ค, คุณหมอทันทิดาอ่อหมอถ้ากล่าวนามัากการพระอาจารย์เจ้าค่ะก็เออหลังตีใหม่วันนี้ก็โยมก็ตั้งใจว่าจะเพิ่มระยะเวลาในการปฏิบัตินั่งสมาธิโดยรวมให้มากขึ้นแล้วก็ลดงานลงสักครัอาจารย์จากเดิม ที่นั่งโดยรวมอาจจะได้สักสามสี่ชั่วโมงก็อยากให้ได้ถึงห้าถึงหกชั่วโมงก็ค่ะอาจารย์เพิ่มขยับไปเรื่อยเพิ่มเพิ่มการปฏิบัติทําให้มากขึ้นนดการปฏิการทํางานทางโลกให้น้อยลงไปทําำท่าที่จําเป็นทําแพ่เรื่องที่พอๆเจ้าค่ะเกอมันก็จะลดความวุ่นวายใจด้วยเจ้าค่ะอาจารย์ความสุขใจที่ได้นี่มันมีคุณค่าวางเงินทองที่เราได้จากการทํางานเจ้าค่ะ เน้คะค่ะก็ในในช่วงหลังนี้ก็เหมือนเวลาตอนที่เราหลับมันจะรู้สึกเหมือนจิตมันตื่นมันเหมือนจะอยากจะมาปฏิบัติจ้าเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วมันก็จะตื่นเร็วกว่าที่เราสซฟไว้อะไรประมาณเนี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์นะคะ ม, มีจิตมีความกระเตงกระลอนต่อการปฏิบัติมีฉันทะมากขึ้นฉันทะวิรยิยะมีอธิบาตสิเจ้าค่ะก็มีคําถามอีกหนึงเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่พระอาจารย์เออ่ เทมเมสักคู่เกี่ยวกับเรื่องของความสุขที่ที่มันมีความอัศจรรย์ในหลายๆระดับไปเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าในแง่ของอย่างระดับในความสุขของสมาธิเนีะเจ้าค่ะพระอาจารย์มันจะเป็นไปได้ไหมเจ้าค่าว่าต่อไปเนี่ยความสุขตรงเนี้ยมันจะรู้สึกว่าน้อยลงหรือว่าเฉยๆไปอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์มันไม่น้อยลงรอกมันแต่ชีวิตของมันก็แล้วก็เสกมันรู้สึกว่ามันไม่ไม่ได้ตื่นตาถึงใจเหมือนตอนที่พบกันครั้งแรกเนี้ เมืนเราพบคนใหม่ๆพบแฟนใหม่ๆข้างล่านี่ตื่นตาตื่นใจนะมมันเป็นธรรมชาติของจิตกับสิ่งต่างๆเวลาเจออะไรของแปลกๆใหม่ๆนี่จะตื่นตาตื่นใจแต่พอมันเคยเชีอยู่มาแล้วก็เฉยแต่มันก็มีความสุขกับมันแต่เพียมันไม่ตื่นตาตื่นใจเหมือนเหมือนครั้งแรกๆก็ไม่เป็นไปยไม่มีปัญหาเลยโอ้เจ้าขาอาจารย์แต่มันก็อาจจะเป็นเหตุให้เราอยากจะทําให้มันได้ ได้เจอของใหม่ใหม่มันตื่นตาตื่นใจมากขึ้นไปได้แล้วลองไปทดลองวทนามากผ่านเวทนาได้หรือเปล่าผ่านควับกลัวตายได้หรือเปล่าอันนี้ถ้าผ่านได้มันก็โผลมาสัจะใจขึ้นอีกระดับอีกระดับหนึ่งมมันจะรู้สึกได้เองเลยค่ะพระอาจารย์ถ้าเราผ่าเจ้าค่ะโกพดีจะถามเรื่องเวิทนามพิจารณาพระอาจารย์ว่าคืออเอสัดส่วนในการที่เราจะนั่งกับ เดินจงกรมหรืออิริยาบถอื่นเนี่มันจะต้องสมดุลกันหรือเปล่าจ้าคะคือแบบอย่างบางวันที่โยมแบบอันั่งสมาธิยาวเนี่ยก็คือหลายๆรอบเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์มันก็จะรู้สึกว่าตอนที่เราออกสมาธิแล้วเนี่ยมันก็จะมีความที่เส้นมันอาจจะปวดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้คือมันเหมือนเป็นสัญญาณว่าเราควรจะเปลี่ยนอิริยาบถหรือเปล่าเจ้าค่ะพระอาจารย์หรือว่ามันเป็นกิเลสอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็บางครั้งบางเวลาการปฏิบัติของเราอาจจะ ได้ผลดีกับท่าใดท่านเนี่ยตอนนั้นก็อาจจะต้องไม่กังวลกับเรื่องความสมดุลทางหร่างกายมากเกินไปก็ต้องเอาเอาเอาท่าที่เราได้ประโยชน์มากที่สุดไปแต่ ก, กนเราจะต้องรู้สึกว่ามันจะมีผลเสียให้กับน่างกายล้วค่อยกลับมาปรับปรับปรัความสมดุลไม่ให้มันทําให้ร่างกายเราเสียหายเช่นถ้าเรา อใจกับการเดินบานทีเดินหกชั่วโมงมนี้เดินได้ไม่รู้สึกอะไรแต่ต่อมารู้สึกว่า ม, มีอาการเจ็บแห้งเจ็บขาอะไรมากก็อาจจะอาจจะลดนมแล้วกลับมานั่งได้มากขึ้นเสร็จร่างกายเราก็ต้องดูความสมดุลของมันการปฏิบัติเราก็ต้องดูผลที่เราได้จากท่านไหนที่มันได้ประโยชน์ได้ได้อะไรมากกว่าเราก็ต้องต้องต้องชั่งน้ําหนักทั้งสองส่วน ไม่ให้เกิดความเสียหายทั้งต่อส่วนใดส่วนหนึ่งเจ้าค่ะมาจ้าแต่ส่วนใหญ่ถ้าถ้าโยอมแบบว่าแบบไม่ไหวกับจะปรับเนี่ยก็คือมักจะปรับแล้วนิ่งมากกว่าเดินจงกรมะะนะสหายอาจารย์รู้สึกว่ามันสงบกว่าได้เราก็าก็นั่งให้มากกว่าเดินดแต่ทั้งนั้นเดกระทั่งมันเกิดมีอาการเจ็บเข่าอะไรก็นีนอาการกระทั่ง เปลี o, <com> ่ยนการนั่งเพื่อบรรเทาความเจ็บทานร่างกายที่เกิดจากอาการนั่งนานเกินไปเจ้าค่ะอาจารย์ก็เป็นหมอหน้าธรรมนุษย์วิธีดูแลร่างกายอยูะไรเจ้าค่ะเจ้าขาอาจารย์ก็แค่กลัวว่ามันเป็นกิเลสเราหรือเปล่าเจ้าขาอาจารย์ก็มันก็เราดูความจริงกันดูเหตุผลนั้นมันไม่เหตุไม่ผลก็ไม่ใช่กิเลสถูกไหมคเจ้าค่ะ ก็ปัจจุบันพยายามเอ่ออยู่กับเวทนาแบบเหมือนมองว่าเป็นตอนที่เราเจ็บป่วยแล้วเราไม่สามารถทําอะไรได้เออก็ต้องนั่งนะใช่ก็ฝึกไปก่อนนะฝึกในขณะเราเราเฉยกับเวทนานดะ้แล้วเราก็ไม่ต้องฝึกก็ได้แล้วก็แล้วก็ปรับเปลี่ยนไปตามตามความจําเป็นของร่างกายไปแต่ถ้าที่เราฝึกให้จิตปล่อยวางให้อุเบกานี่แล้วว่าให้ให้เวทนามันตั้งอยู่ไปเรื่อ ย, อยๆอย่างป็ขยับมัน ใช่ค่ะแต่พอเรารู้สึกว่าเราอยู่กับมันได้ไม่เดือนร้อนกับมันแล้วแล้วก็เราก็าอยู่ตามปกติไปไม่ต้องไปทรมานมืนเมื่อก่อนอใชค่ะ ถ, <ช>ถ้าเราถ้าเรารู้ว่าเราไม่ทุกข์กับความเจ็บปวดของร่างกายอยู่กับมนันได้เราก็ไม่ต้องไปทรมาร์มันอีกต่อไปจช่ค่ะโดยที่แบบอาจจะต้องเหมือนเกิด ความอัศจรรใจอย่างที่พระอาจารย์ว่าเมื่อสักครู่ก่อนใช่ไหมเจ้าค่ะใช่มาเน่ามาปล่อยมาปล่อยจริงๆปล่อยแล้วจิตมันเข้าเดินเ ข, ข้าสู่ความสงบอนี้นแล้วมันจะจอัศจรรย์ใจอ๋อเจ้าค่ะก็คือเหมือนเข้าสู่ความสงบอีกระดับหนึ่งเอออีกระดับหนึ่งที่ถ้ามันสงบแบบปัญ ญ, ญาเนี่ยมันจะออกมาจากสมาธิมันก็ยังสงบอยู่มันไม่เหมือนกับ สงบจากสมาธิสงบจากสมาธิพอออกมาแป๊บเนี่ยวเดี๋ยวมันก็หายไปแต่สงบจากปัญญานี่มันไม่ไมหายนะมันอยู่พู่กับจิตบไปในระดับนั้นอมันดีกว่าอืคแล้วมันไม่เดือยร้อนมันไม่กังวลกับความจเจดบปวดของร่างกายต่อไปท่าค่ะอาจารก็มี คำถามอีกนิดนึงเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่เอมื่อสักครู่ที่เออพระอาจารย์บอกว่าคือถ้าเออ่เราอาจจะต้องดูว่าถ้ามีอะไรมากระทบแล้วเนี่ยเราจะยังเฉยได้ไ้มอะไรเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ทีนี้ถ้าในแง่ของนักบวชหรือผู้ที่ปีกวิเวกเต็มที่แล้วเนี่ยคืออันนี้จะสู้กับกิเลสภายในใจมากกว่าภายนอกที่มากระตุ้นหรือเปล่าเจ้าค่ะพระอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จงจะสู้กับกิเลสที่มีอยู่ภายในใจ แต่ถ้าปราบกิเลสภายในใจได้เวลาไปเจอของข้ า, นานนขงนอกก็ไม่เป็นปัญห า, ห เ, า, เ, าหเป็นแบบกล้วยหอมแบบเป็นของกล้วย ก็ถ้าเราอยังยิมีปัญหาอะไรเราก็ต้องพิจารณาเรื่องนั้นเพื่อปล่อยวางมันได้ถ้ายังทุกข์กับเรื่องไหนอยู่เราก็ต้องพิจารณาปล่อยวางเรื่อนั้นไปอันนี้ที่สุดมันก็ต้องกลับมาที่ที่ร่างกายเราพิจารณาแล้วก็จิตสามตัวสุดท้ายอย่างเรื่องต้นอาจจะถ้าเราทุกข์กับเรื่องเงินทองเรื่องงานการก็เราพิจารณาปล่อยวางมันไปทุกข์กับสามีทุกข์กับโลกก็เราพิจารณาปล่อยวางเข้าไป เราปล่อยของข้างนอกได้หมดหน้าที่แล้วก็มาปล่อยให้ตัวที่อยู่ใกล้เราที่สุดก็คือร่างกายเรเจ้าค่ะเจ้าค่ะไปับอาจารย์ก็าจารย์นะเจ้าค่ะกลาบขอบพระคุณมากเจ้าค่ะเยาสาธุคุณห้อยท่านหนึ่งบนหมอหน้าทวุฒิและคอธรณ์เมอนกันครับกรับนวัสกัรอาจารย์ครับเอป็นยังไาคราวที่แล้วเป็นมอไหมไม่มีโอกาส<ม>ครับ ขับมารถที่ขับมาก็เข้ามาก็ได้ปฏิบัติก็จะอยู่ทับในชาร์จแบตเตอรี่ขับมาอเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอที่สองที่เดี๋ยวเข้าไปอีกครับอเข้ามาบ่อยๆมีเวลาว่างก็เข้ามาับงานทางโลกทําท่างหร่ก็สู้งานทางธรรมไม่ได้ลถแห่งธรรมชนะลถทางปวครังพยายามปฏิบัติให้มากขึ้นครับอันนี้ก็พยายามจะ ปีใหม่ก็พยายามปฏิฐานาาก็จะให้นั่งสมาธิมันเยอะนแต่ว่าก็ยังน้อยกว่าน้อ ง, อ ง, ง, งๆแค่ยังก็โซ่เวลาตาหลังเรถูกเวลาทุ่นนี่ดึงแล้วก็เลยสึกมันทําให้การปฏิบัติลดลงแต่ว่าตอนนี้ก็ตั้งใจว่าจะต้องต้องให้ได้<ะ>ครับอต้องเกือนสติเลยว่างานที่สําคัญที่สุดงานทางจิตใจครับงานทางโลกก็าทำเท่าไหร่เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ต้องทเทมันหมดเนี่ยไเท่าไหร่ก็ต้องเทมันหมดครับนะงานทางนี่มันเอาไปได้หมดเลย ทำหน้าทีหลก็ไปกับเราครับงั้นอย่าลงอย่าลงอย่าลงอย่าลืมความกับมีิข้อที่กัรทำนี่สาคัญงานท้งโลกครับงทงโลกก็ทำเท่าที่จะเป็นครับใชครับก็ต้องปฏิบัติให้เพิ่มทิ้งครับโอเคครับจอยรุยลูชายกับไปนอนแล้วและไม่ได้เห็น เขาเอ่อเขาไปหาพี่สาวของค่ะเออนอนคนละห้องกันอ่าเปยังไงปีใหม่นี้ได้มาใส่บาตรหรือเปล่าช่วงปีใหม่ไปวันที่สามสิบเอ็ดเอสามสิบกับวันที่หนึ่งค่ะเนีวันที่เหองคนเยอะนะเยอะไหมเยอะเยอะของการแต่งหนุ่ไม่ใส่ข้างหน้าเพราะว่าแม่เขาต้องกลับมาทํางานอ่าก็ไมยังไงก็ วี่ใหม่แล้วก็จะให้ดีขึ้นค่ะน่ะค่ะเดี๋ยวปใส่บาบาสุโอเคมันพากนะค่ะันพัโอเคค่ะคุณคคิดปะเด็นเปลันเด็นเชิครับการประชัมสภาคณารครับก็อ๋วันนี้ก็เป็นไปไๆของพี่ปีเตียครับก็เจอพอเจอข้อสอบจริงเจอแบบวุ่นวายงานทางโลกมันมาไม่จบจริงๆครับ ก็มีอารมณ์ไม่ดีไป บ, บ้างครับแต่ก็อแต่นั้นก็เหมือนเราก็รู้ตัวเร็วครับอาจารย์เพราะวันนี้ก็จะตั้งใจว่าจะกลับมานั่งต่อครับอาจารย์ต้องอย่าทต็มมากอย่าเต็มก า, มารฝึกสติสมาธิสำคัญมากใช่ครับอาจารย์แล้วก็เอวันนั้นที่ฟังเทศพระอาจารย์บอกว่าเหมือนอร่างกายเราเหมือนกําลังขับรถหรือไม่ก็เรากําลังขับยานออกไปนอกโลกครับก็เลยแบบ อ่าไอตัวเนี้ยครับที่ดึงสติกลับมาได้เร็วครับอาจารย์เหมือนมันมันมันอ่าตัวนี้เราก็ต้องมาฝึกเยอะๆขึ้นนะครับอาจารย์ฝึกสติฝึกสติให้มากครับจะพยายามมากขึ้ครับก็ปีใหม่นี้ก็ตั้งใจว่าจะไม่ไม่พลาดทักวันครับอย่างปีแล้วก็ยังได้ประมาณแปดสิบห้าเอร์เซ็นครับก็แต่ปีนี้ว่าจะอยากจะให้ทําได้ทุกวันครับ เราจ<ด>่ชวนภรรยากับลูกมานั่งด้วยกันครับเอทำพร้มอมๆกันเป<ด>็นกิจกรรมครอบครัวดีกว่าทุกคนจะได้อแต่ต้องมีแต่<ด>แต้องมีอุบายกับลูกนิดหนึ่งว่าเออถามเขาว่าเออยากจะอยากจะเปิดเป็นเออทํางไมทําแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะเกิดเป็นสัตแบบนี้แบบนี้นะหนูอยากจะเกิดเป็นแบบนี้ไหมหรือถจะยังเกิดมาเป็นคนอยากเป็นมากกว่นี้ลูกก็ให้เขาเลือกครับเขาก็บอกเออเขาไม่อยากเป็นสัตว์ เขาก็เลยมานั่งด้วยมาตรวจมวลด้วยก็ไม่ได้เป็นการโกหกใช่ไหมไม่โกหกล้ว่าใจสงบแล้วมันก็จะไม่ไปทําบาปครับก็เริ่มให้เขานั่งน้อยเขาก็ชอบบอกให้พุดโทนะค้วก็ให้นับด้วยว่านับเท่าไหร่แล้วเหนื่อยเยอะหน่อยก็เขาก็บอกสิบยี่สิบก็พอสมายกาจะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆครับอาจารย์ไปอย่าไปบีบเข้ามาแล้วกั็ให้เขาทําตามคนละของเขาไปครับใช่ครับ ไม่มีคําถามนะคะรับอาจา okay, okay. รย์โอเคเช่นถ้ทุกท่านต่อไปคุณหมอสุทัศเสนีังไงมันก่อนเราใส่บานใส่มามาวันไหนนั่นทำไม่ได้ละละมาสการท่านพอาจารย์เจ้าค่ะไปวันที่หนึ่งมกราคม ừ, ค่ะคนเยอะนะคนเยอะค่ะแต่นั่งแล้วสงบดีเจ้าค่ะเอาไปฟังธรรมที่สารพิบุตรเนีใช่เจ้าค่ะนั่งฟังธรรมตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่ท่านอาจารย์ลงม า, าค่ะก็นั่ง ดีเจ้าค่ะมีอะไรมั้ยมีอะไรมั้ยไม่มีคำถามเจ้าค่ะท่านพอาจารย์โอเคปฏิบัติต่อไปปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะอ่าท่านอบคคอ่าคุณนิส า, า, ายจยนาะกนอซแอนเจอร์ลิลสใช่ไหมน่ า, น า, าจะใช่นะจะดึงไปค่ะ LA, กลับนวัตสตารพระอาจารย์ค่ะลาเอลาเอค่ะพระอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินชัดเจนค่ะค่ะก็ อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มาเพราะว่าห้องเต็มค่ะพระอาจารย์ก็ไม่ให้เข้าใช่ค่ะสงสัยลูกตื่นสายไม่สายนะคะแต่ว่าคนแน่นมากเลยค่ะวันนี้ตื่นเช้าเลยค่ะตื่นแต่ตีห้าครึง่ง <laughs> <laughs> กัวพ้าะ ค, ะค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็ยังปฏิบัติอยู่สมบเสมอค่ะพระอาจารย์ทีนี้ลูกมีสองคำถาม ค, คือคือคําถามแรกก็คือ ลูกอาทิตที่ผ่านมาลูกมีสภาวะของการพอคือหลังจากนั่งแล้วผ่านเวทนาไปแล้วนะคะคือคือเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับรุบเข้าไปในศูนย์จากาศยังไงบอกไม่ถูกค่ะแล้วก็เหมือนกับลมหายใจหายแล้วก็พุทโทหายแล้วลูกก็ตกใจอ่ะคะ่ะคือมันมันมันก็เลยแบบถอนสมาธิออกมาลูกเข้าใจอย่างนั้นนะคะ<อ>ทีนี้เนี่ย มันช่องใหม่ครับเขไม่เคยเจอมาก่อนมันก็เลยตกใจค่ะก็รู้สึกว่าแบบสงบนิ่งมากแต่ว่ามันมันมีความรู้สึกว่ากลัวตัวเองแบบมันเหมือนจะลมหายใจมันจะหายกลัวตัวเองแบบเหมือนไม่มีลมหายใจอะค่ะพระอาจารย์ไม่ต้องกลัวหรอกไม่ไมตายนะเป็นดัตใจเราไม่ไปรับรู้มันนั่นเง่งอ๋อค่ะค่ะพระอาจารย์ แล้วแล้วลู้ก็เลยกลับมาพุทโธพุทโธพุดโท้ต่อไปแต่ว่ามันก็ไม่ได้กลับเข้าไปตรงนั้นอีกเท่ากับว่าอันนี้คือลูกถอนสมาธิออกมาแล้วใช่ไหมจ๊ะค่ใช่ก็ไม่เป็นไรพุทโธพุทโธ้ถ้าพุทโธพุทโธ้โดยที่เราไม่เป็นมีความอยากจะกลับเข้าไปในมันอาจจะกลับเข้าไปก็ได้แต่ถ้าอยากล้วมันจะไม่กลับเข้าไปใช่จริงค่ะพระอาจารย์เพราะว่าหลังจากนั้นลูกก็นึกถึงสภาวะแบบนั้นแล้วมันจะเข้าไปเได้ไม่ได้อีกนะคะพระอาจารย์ก็ลองมันเวลา่ต้องอยู่กับพุทโธอย่างเดียว คือคืออันนี้นี่คือเป็นสภาวะคณิกะสมาชีใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็คือแบบสั้นๆว่าไม่จําเป็นจะต้องไปนิ่านอ๋อไม่ต้องไปไม่ต้องแล้วให้มันสงบให้มันมีความสุขก็ใช้ได้แล้วกันค่ะมันมีความสุขค่ะแต่คิดว่ามันน่าจะยังไม่ดิ่งถึงฐานนะคะตามความเข้าใจของลูกค่ะคือลูกก็ต้องพยายามนั่งต่อไปเออแล้วแล้วถ้าเวลาเรานั่งบางครั้งเนี่ยคือถ้าเราพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วเรา ในในในการนั่งครั้งครั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเราเราอยากจะเปลี่ยนแบบเป็นเป็นแบบดูลมหายใจได้ไหมในในจังหวะนี้ว่าดูลมดีที่สุดถ้าดูได้มันมันก็ก็อาจอยากจะลองฝึกดูค่ะพระอาจารย์เพราะบางทีนั่งเป็นนานๆแล้วรู้สึกพุทโธไปนานๆเราอาจจะแบบเหมือนจะบจะใช่ค่ะจะเหนื่อยจะเหนื่อยดูเฉยๆดีกว่าดูเฉยๆได้ยังดีกว่าถ้าดูได้ดูลมได้ค่ะ แต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยก็คือควรจะพุทโทรพุโทไปเพราะว่าบางทีช่วงแรกเรามีอืมกิเลสเข้าใช่ค่ะพอรู้สึกว่าใจเราแบบเบาแล้วเราก็เปลี่ยนัาเป็นดูลมใช่ไหมคะได้ค่ะโอเคค่ะพระอาจารย์แล้วมีคำถามหนึ่งคือลูกคิดไปว่าถ้าเกิดสิงว่าเราเราเราปฏิบัติธรรมแล้วเรายังไม่บรรลุพระโสดาบันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า เราคิดว่าเราอ่ะชาติเนี้ยเราทําบุญไว้เยอะอ่ะเราคิดว่าบัญชีบุญเราเยอะกว่าบัญชีบาปเราตายไปเราก็คือเป็นเป็นอยู่บนสวรรค์ใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช <source> ่ชั้นเทพไม่อยู่ชั้นพรหมไม่อยู่ที่แล้วแล้วเราจะปฏิบัติต่อได้ยังไงคะพระอาจารย์เพราะว่าเราไม่มีร่างกายช่วงนั้นไม่ปฏิบัติเพราต้องรอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อ๋อต้องรอมาเกิดเป็นมนุษย์ถึงจะปฏิบัติต่อได้ใช่ไหมคะยกเว้นว่า ถ้ามีพมีพระไปเที่ยให้เราฟังตอนที่เราเป็นเทวดานัา่งพยาม <SAM> e มีคนมากระตุ้นให้เราปฏิบัติต่อได้อ่าาาพรระจย์ปฏิบัติสติสมาธิต่อได้ออแต่ถ้าไม่มีการกระตุ้นก็อยู่ที่เราอถ้าเรา ม, ามีนิสัยติดไปเราก็ อ, กอาจะปฏิบัติต่อได้ปฏิบัติสติกับสมาธิต่อได้โดยที่ไม่เร่างกายก็ได้ อ, อ๋อค่ะพระอาจารย์ถ้าเกิดเราเราเราอยู่เราเราเราอยู่ตรงนั้นแล้วเราไปเจอแบบ สมมติว่าไปเจอไปเจอคนไปเจอพระอร ห, าหาันหรืออะไรที่แบบ<ช>เขาเขาบอกว่าแบบที่มาแสดงทำให้กับเราเออมาแสดงทำอะไรที <มา S 2> <ช>่เราสามารถต่อได้ใช่ไหมคะอาจารยดด์ก็สังเกตดูง่ายๆว่าเราปฏิบัติหรือไม่ก็ตอนที่เราดับเนี่ยถ้าเราดับแล้วมันยังในฝันในฝันว่ายังปฏิบัติอยู่ไหมก็แสดงว่ายังปฏิบัติอยู่อ๋อค่ะพระอาจารย์มีบ้างค่ะบางถ้าเราไม่ได้ฝันว่าเราปฏิบัติมัก็ไม่ได้ปฏิบัติ คะพรอาจารย์มราารย this, เ, ย ม, เยมื่อวันอาทิตย์ที่พระอาจารย์ไปดินถบานนี้คนเยอะมากเลยใช่ไหมคะพระอาจารย์อผันเยอะมากมากเลยจริงๆก็ลบสถิตติเก่าลบสถิติใช่ไหมคะสถิติเก่าแค่พันสองพระอาจารย์เหนื่อยเหนื่อยใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็ไม่เหนื่อยเลยเนอะก็เดินไปเรื่อยๆมีคนคยมาถ่ายของให้ตลอดเวลาโอ้ค่ะเพราะ ลูกดูถ่ายทอดสดแล้วรู้สึกว่าโอ้โหนานมากเลยอ่ะปกติจะสั้นกว่านี้เยอะค่ะเราไม่เคยรู้เวลาเพเราค่อยนับคนไปนับคนอย่างเดียวไปจับเนี่ยมันมีสติอยู่อาการนับคนนับคนก็เลยทําให้มีสมาธิพอมีสมาธิมันก็รู้สึกมันไม่หนักไม่ไม่อะไรมันเฉยๆไปเรื่อยๆทาหน้าที่ไปเปิดป๋าบารรับของไปอ่าท้ายกันไปว่า สว ด, ดีปีใหม่ไปเแ ค, นคออ่ไหนให้พรบางคนขอพรก็ให้พรเข้าไปค่ะค่ะอาจารย์รู้ว่าต่อไปพระอาจารย์ต้องคนต้องเยอะขึ้นเรื่อยๆแน่ๆคือแบบมากขึ้นเรื่อยๆค่ะอันนี้ก<อ>็เอะอันนี้ก็เป็นหนึ่นองอนาคนนตมีอะไรเปลียนแปเพราะอาจารย์มันมีโซเชียลแบบนี้มันคนคนเข้าถึงเยอะใช่เพราะ มันเหมือนแมลงอะนะพอมีที่ไหนพอมีสงที่ไหนมันจะไปอยนางนี้ใช่ค่ะพระอาจารย์จะเป็นเซเลบแล้วค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ก็ถ้าถ้าข้างหลังนี่มันเป็นชายหน้าเท้าบ่ะไม่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะพอดีไปเอามาแจกที่อื่นค่ะพระอาจารย์แต่ตอนนี้ลูกลูกก็เจริญมรณสติทุกๆุ ต้องเบาต้องต้องแบบนักบ่อยๆแค่ไหนคะแต่ลูกจเจริญแบบกอนนอนทุกคืนเลยทุกลมหายใจเข้าอ๋อทุกล ม, มหายใจเลยเห<ล>รอคะเพราะว่าจะได้จะไดเป็นประมาทเนี่ยจะได้รีบทําทํางานของเราให้เสร็จใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าตอนนี้คาลิสเนียแบบมีปัญหาหรือคือท่วมไมเอลเอนี่ยท่วมไหมอ๋อไม่ไม่ค่ะเอลเอไม่ท่วมแต่ว่ามัน แคลิฟเนียมีปัญหาเอ่อเอิร์ธเควกค่ะพระอาจารย์ okay. mm hmm. ใช่ก็ต้องจเจริญมโนสติไว้ <Yeah. S 1> ไม่รู้ว่ามันจะ mm hmm. เอิร์ธเควกเมื่อไหร่ต้องทำใจไว้ค่ะบ้าน <Yeah. S 2> จะพัง <Yeah. S 2> ไม่ <laughs> เพราะว่าแต่ก่อนมันมีไ ม, ไม่ไม่ทราบพระอาจารย์ตอนนั้นพระอาจารย์หนึ่งเก้าเก้าสี่ ที่เขาเอื้อทควกที่นอร์ทเวิกอะค่ะอาจารย์ตอนนั้นเราไม่ได้อยู่เราอยู่แค่ปีเจ็ดสองแค่ปีเจ็อ๋อค่ะอ๋อค่ะอาจารย์ประเดี๋ลูกก็ยังไม่ได้มาเหมือนกันค่ะแต่ว่าเห็นบอกมันจะเป็นรอยร้าวแล้วที่ผ่านมานี่มีมีอาทิตย์ที่ผ่านมามันมีค่ะก็เลยรู้สึกแบบเออมรณานุสติเลยก็ดีค่ะพระอาจารย์ใช่ดีที่สุดนะมันจะได้ลดความร่วงความอะไรต่างๆได้เยอะค่ะบค่ะพระอาจารย์โอเคนะไปต่อค่ะค่ะการนมัสการค่ะสาวทุกค่ะ ไปที่เท็กซัสที่สออกสปตากลับนมาส ก, การ์พจาจ์รย์เจ้าค่ะอันนี้ลูกกลับมาเท็กซัสแล้วเจ้าค่ะเอป็นยังไงบ้าง อ, อ, อากาศดีกว่าที่ไวโอมิงกับโครโดเจ้าค่ะที่นั่นหนาวมากออไปยุ่ยมาเข้าที่เท็กซัสเขายังเชื่อหน่อยมเมื่อเช้าสององศาเจ้าค่ะ หนึ่ง <1. S 1> องศาสององศาก็ดีกว่าที่นู่นที่นู่นลบสามสิบกว่าเจ้าค่ะประมาณนั้นเจ้าค่ะวันศุกร์นี้วันค้ายวันเกิดลูกเจ้าค่ะลูกขอป้าอาจารย์ให้พอลูกไม่กลับมาเกิดตายไป <laughs> ก็ไมังใจให้ลูกเ จ, เจ้าค่ะให้เจอวันไม่เกิดแล้วกันขอให้เจอวันไม่เกิดเจ้าค่ะต้องปฏิบัติให้มากให้เข้มข้นตลอดเวลานะถึงจะไปถึง <laughs> ขออย่างเดียวไม่ได้ขอแล้วต้องปฏิบัติถึงจะไปถึงก็ค่ะไม่รู้พบชาติไหนลูกก็จะพยายามทําไปเรื่อยๆเจ้าค่ะเมื่อไหร่ก็เมื่อ น, นั้นจะไม่พยายามเรื่อยๆเจ้าค่ะควาพยายา <c oughs> มอยไหนความสำเร็จอยู่นั้นอเจ้าค่ ะ, คะเพราะคําสอนสั่งสอนของพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ทําให้ลูกได้มีแนวทางก็ได้ผ่านข้อสอบไปเรื่อยๆเจ้าค่ะก็ตกบ้างผ่านบ้างก็เป็นอย่างเนี้เจ้าค่ะก็ แต่อย่างน้อยก็มีแนวทางที่จะเดินต่อไปเจ้าค่ะอนี่ยปัจติให้ได้สมาธิได้สมาธิได้อุเบกขาแล้วก็มาทาปัญญา ม, มาปล่อยร่างกายให้ได้นะปล่อยร่างกายปล่อยเวทนาเจ้าค่ะ เ, เจ้าค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์อย่างที่สุดเจ้าค่ะสาธุค่ะคุณโยมเย้งวิไลพรสายสอง การาพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มาฟังธรรมค่ะพระอาจารย์หนูฟังได้ยินเสียงพระอาจารย์แล้วอบอุ่นอบอุ่นในหัวใจทุกทุกอย่างทุกคำสั่งพระอาจารย์เลยใช่ไหมค่ะแล้วก็ <c oughs> ทุกวันนี้เราก็ฝึกสติเจริญสติอยู่ทุกวันค่ะพระอาจารย์พยายามรละลึกพุทโธให้ตลอดทั้งวันก็มีหลุดบ้างผขาุดบ้างก็กลับมาร ะ, ะลึกถึงตลอดอยู่ค่ะแล้วก็นั่งสมาธิด้วยนะนั่งค่ะ นั่งค่ะพระอาจารย์แต่แต่ช่วงเนี้ยบ้านบ้านหมุนค่ะก็เลยต้องเผาเผาการนั่งตื่นแต่เช้ามานั่งเมื่อก่อนโยมจะตีสีก็มานั่งทุกวันนะคะแต่ช่วงนี้ก็เลยพยายามแบบว่าเอให้พักผ่อนให้เยอะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเข้มเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์บ้านหมุนเลยค่ะพระอาจารย์เหมือนกับว่าเราอาจจะนอนน้อยอะค่ะพระอาจารย์ค่ะโอเคก็ลองดูแลร่างกายไปด้วยนะค่ะพระอาจารย์ค่ะกล่าวนุนตการพระอาจารย์เจ้าค่ะโอเคค่ะท่านชายชั้นดอน เปลี่ยนน้ำโมแล้วเก้าวหน้าขึ้นจากน้ำโมมาเป็นสันโดษราชการยอดพระอาจารย์วันนี้มาสงกันบ้านครับแล้วก็มีคำถามที่กุ้งใจจะมาถามค่ะถามมาเลยก็การจาริญสติครับพระอาจารย์เดี๋ยวนี้ผมก็จะลองเปลี่ยนจากพุทธานุสติมาเป็นอาณาปานสติครับพระอาจารย์ก็อยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็พยายามอยู่ที่ลมหายใจให้ความรู้สึก มันต่อเนื่องให้ตัวสติมันต่อเนื่องคร่ระอาจารย์ก็จะพยายามไม่ตั้งเวลาให้อ่าไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะมีเหตุให้ต้องหอยุดเช่นคุณแม่เดินมาบอกให้ทํำนูน่นทํำนี่ให้ใครมาหรือว่าหลับไปอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็จะทําไปเรื่อยๆครับอาจารย์ก็จะประมาณนี้แล้วก็จะพยายามถือเป็นศีลเจ็ดครับอาจารย์ยอ่อดศีล ก็คือศีลห้าแต่บวกมาอีกสองข้อก็คือข้อแรกก็คือไม่นอนเตียงสูงใหญ่แล้วก็อีกข้อนึงก็คือไม่เอใส่เครื่องประทิมผิวทัดดอกไม้อะไรเงี้ยครับอาจารย์ต้องมาดูนางฟังเพลงด้วยนะตอนนี้ครับอาจารย์ดูนางฟังเพลงอาจจะยังไม่ค่อยได้สิ่งอาจจะมองนิดนึงอ่าตอนี้ก็ยังรักษาไม่ได้แต็มท่รักษาได้ดีแต่ไม่แต่เนื้อแต่งตัว ไม่ใช่น้ำหอมน้ำมันได้ครึ่งเดียวครับได้มาลาคันธะครับอาจารย์แล้วก็คือศีลอาเจียงหมองอยู่นิดนึงแต่ก็เอาตรงศีลห้าบริสุทธิ์ครับอาจารยไไร์ไม่เป็นไรก็ดีกว่าไม่ได้ทําทำทำที่เราทำได้ไปก่อนครับอาจารย์แล้วก็ อเอลดี๋ยวนี้เวลาที่มีอารมณ์เกิดขึ้นก็จะเห็นเร็วแล้วก็ชัดนะคะพรอาจารย์มันจะชัดมากแล้วก็จะเห็นการเกิดของมันแล้วก็การดับแล้วก็เลยต้องเอาอุเบกขาเข้ามาใช้เพื่อให้มันไม่ไหลไปตามไอาอารมณ์ที่เกิดขึ้ น, นครับเ อ, อถูกต้องใช่ได้ใช่ได้ผมระอาจย์แล้วพระอาจารย์ครับคือผมมีเรื่องกุ้มใจมากคือ ผมได้ยินมาว่าการที่คนเราในจะบรรลุทำได้เนะี่ยมันจะต้องแบบสะสมบุญบารมีมาพอสมควรบุญบา ร, รมีมาพอสมควรแต่คือด้วยความที่เราไม่สามารถอย่างรู้อดิตชาติของเราได้เราก็ไม่รู้ว่าเราได้ไปทำบุญไวมากน้อยแค่ไหนบุญบา ร, รมีเรามีแค่ไหนนะครับพัดจานทร์ผมก็กลัวว่าอาจจะยังไม่ถึงทำให้ชาตินี้อาจจะยังไม่เป็นชาติสุดท้ายครับพัดจร์ ไม่ต้องกังวลอ่ะให้กังวลอยู่วันรอปฏิบัติหรือเปล่าแค่นี้ก็พอถ้าปฏิบัติเยอะมันก็ถึงเองถ้าไม่ปฏิบัติเราให้มีบาลมีมามากขนาดมันก็ไปไม่ถึงอย่างนี้นพวกเราทุกคนถือว่ามีบาลมีแล้วเพราะเราตอนนี้เราเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาแล้วเรามายึดพระพุทธวจนะพระสอนเป็นครูปเป็นอาจารย์นี่ก็ถือว่าเรามีบาลมีมากพอแล้วมีปัญญาแล้ว ครับอาจารย์สบายใจรักครับถ้าเรายัางไปไปสนใจเรื่องอื่นเยอะไม่มาสนใจเรื่องทางธรรมเนี่ยแสดงว่าไม่มีบาลีนะครับครับอาจารย์สบายใจขึ้นเยอะเลยครับอาจารย์เป็นขอย เ, เ, เราเราเรารีบทําเราไม่มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆครับผมอมาจารย์เดี๋ยกว่าถึแบบเดียวมาถึงครับผม ผมอยากรู้ว่าถ้าผมเลื่อนขั้นนะครับอาจารย์จากข้อสามครับในศี่ห้าจากข้อการเมมาเป็นอภรมรมจริยามันได้ไหมครับถ้าเป็นคารวาะเนี่ยก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีข้อหอ้ามที่เราอันนี้เราก็ไม่มีอะไรกับใครเราไม่ใช่เรายัง <c oughs> ไม่ไม่มีแฟนไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยครับอา <c oughs> อจารย์ <c oughs> มันมันก็เป็นนํามธารมที่อะไรโดยอัตโนมัติอยู่แล้วครับ <c oughs> อาจารย์ก็สมาทานอยู่เลยใช่ไหมครับอจริยา เราไม่ไปเที่ยวตามบาตามถับอะไรเม่เไม่ได้ไปครับอโอเคครับอาจารย์เราก็มีอยู่แล้วกูต่อไปเวลาโตขึ้นมันจะไม่มีมันจะรักษามไม่ได้ครับแร์จันก็กังวล น, นิดนึงแต่ว่าเราพิจาาสุภาพไว้ก่อนด้วยพจิจาสุภาพไว้ก่อนอาการ 32, ากขาที่สองอยจะนแม่แคบแจ็ที่เขาท้องอาการขาที่สองไม่ไปเลย ช, ช่วงนี้ก็ฟังอยู่เหมือนกันครับอาจารย์ฟังอาการ32แล้วก็พยายามท่องเสือไทยได้ท่องไม่ค่อยได้ไม่ค่อยไปถึงไหนก็มันไม่ยากเลย32ตัวแค่นี้ผมคนเล็บฟันหนังแน่กระดุครับแต่ต้องไปไล่ท่องครับอาจารย์อแล้วก็อาจารย์จริงๆวันเดียวก็ได้มันยันงไม่มันยากยังตรงไหนขี้เกียจครับอาจารย์ครับอาจารย์แล้วก็ ช่วงนี้มาหาสถานท um ี่สงบในการอวมาภาวนาครับตอนนี้ก็มาประจวบมาที่สำนักสงฆ์พุทธสิงห์คอนครับอาจารย์เพราะว่าเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างจะสงบปราศจากผู enfin ้คนที่จะรบกวนอย่างเงี้ยครับมาคนเดียวเลยมากับครอบครัวครับแล้วก็วันนี้ก็ชวนกันแต่อย่าแยกย้ายกันไปภาวนาแล้วก็ภาวนาคนละเท่านี้เท่านี้แล้วก็นัด ตัวกันอีกครั้งแล้วก็กลับมาที่โรงแรมครับอ่าครับไม่ได้ค่ะอดีว่าจะไปถวายของพักที่วันดนี่ก็ไปทําบุญแล้วก็มีโอกาสก็ไปภาวนาด้วยครับอาจารย์ก็ต้องเล่งความเพียรครับผมแล้วเดี๋ยวไปท่องอาการ 3.2 มาให้พระอาจารย์ครับผมโอเคนะแล้วแม่เ<อ>จ้าที่ก็ เ, เด็กก็ น, น้องเราก็ยังท่องได้เะ <c oughs> กลับฝงอาจารย์ทั้งอนุโลมทั้ปฏิโลมนะทั้งไปทางท่องไปข้างหน้าแล้วท่องกลับมาด้วยนะโอะ้โหครับอาจารย์ได้ได้ <c oughs> ข้างกลับเนี่มันจะได้มีสติมากขึ้นโมนยจะต้องเล็กหน่อยทองขาไปมันอาจจ ง, ง่ายแต่ต้องขางกลับด้วยเนะี่ยจะทําให้เราต้องมีสติมากเพิ่มมากขึ้นออนุโลมปฏิโลมจะไหว ตามคนกน็ตามคนก็นย้อนคนคลมคำว่าลมก็คามาจากคำว่าลมมาเามานีาโลมาคนอนุโลมก็ตามตามคนท่านปฏิโลมว่าย้อนย้อนย้อนคนย้อนสอนเนี่ยเหมือนกันครับพรอาจารย์พระพุจาช่ฉลาดท่านต้องการให้เราฝึกเสด็จอรุโลมอย่างเดียวมันเหมือนอาจจะง่าย เราให้รอดกลับอีกอีกทีนึงด้วยถอยกลับเดินไปข้างหน้าเราเดินถอยหลังเดินถอยชนะจริงๆเลยครับต้องไปฝึกครับพยายามแล้วไม่ยากหรอกแค่นี้เเรา จ, จะได้รักษาพระมจาิยาได้ตลอดชีวิต ล, ลองท่องไอที่เป็นภาษาไทยไปตามก็อตอไปกัน่ึกภาพพืออาการต่างๆเหล่านี้เป็นยังไง การนึกภาพนี่เป็นการพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงถูกไหมครับอาจารย์ใช่ใช่การนึกถึงภาพของผมของคอนของเล็บของฝันครับครับอาจารย์ของกระดูกนะครับครับอาจารย์ได้ครับจะรีบกลับไปฝึกท่องเดี๋ยวนี้เลยครับขอบคุณอาจารย์บนเซรินทอนนะแมรี่แลนด์ USA ตอนนี้ทานอยู่เหรอ ทำงานค่ะพระอาจารย์แต่ว่าโยมต้องมาฟังพระอาจารย์ค่ะอ่ามันสําคัญค่ะแล้วก็มีคุณค่ามากกว่าทางจิตใจอ่าโยมกราบนวัตการพระอาจารย์แล้วก็จิบฝากมากราบด้วยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าจิบ<า>เขบ า, า, าเม<ข>ื่อกี้เห็นเข้ามาตอนช่วงแรกค่ะ เ, เขาเขา text มาหาโ ย, ยมบอกว่าต้องวิ่งเข้าห้องประชุมแล้วก็เลยฝากมากราบพระอาจารย์อ่ า, าค่ะพระอาจารย์ค่ะโยมมีคําถามค่ะเอ่อผู้ที่ปฏิบัติ ไปลึกขึ้นลึกขึ้นลงไปลึกขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเป็นระดับพระอริยบุคคลเนี่ยคุณธรรมในการปฏิบัติธรรมหรือว่าคุณธรรมในการบรรลุเนี่ยมันจะผุดขึ้นเองในใจโดยที่เราไม่ต้องไปเราไม่ไ ด, เไได้เราไม่ต้องไปเหมือนกับว่าตั้งใจทําให้มันเกิดขึ้นหรือเปล่าคะเราต้องตั้งใจทุกอย่างต้องมีครับตั้งใจเหมือนสร้างบ้านเวลาตอกเสาเข็มก็ต้องตั้งตั้งใจตอกเสาเข็มเวลา าวางรากฐานอะไรตั้งเสาเนี่ยมันต้องมีมันต้องมีขัน้นตอนมันต้องรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยูขัสติแล้วก็ฝึกสติพุโทโธพุโทโธก็ให้เผลอขั้นสมาธิเราก็นั่งหให้เก็บนิ่งสงบให้เป็นอเบกขาขั้นปัญญาเราก็ลองพิจารณาไตรลนะักษณ์แต่อย่างในลักษณะของคำที่ยอมยอมพูดถึงนี่คือในลักษณะของพวกออิทธิบาทสี่พละสี่อินทรีย์ อพละห้า mc ห้าเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเองเมื่อเมื่อการปฏิบัติขึ้นไเป็นการที่เราปฏิบัติที่ก็เป็นการสร้างอิน mc ห้าสร้างพละห้าอย่างนี้มันก็คือมันจะมันก็คือจะลึกเข้าไปเรื่อยๆตอนต้นเราก็สร้างสติก่อนนะสร้างสติแล้วแล้วก็สร้างสติด้วยความเพียรวิริยะค่ะพอมีสติแล้วก็นั่งสมาธิได้แล้วอย่างสมาธิมาได้สมาธิแล้วก็มาสร้างปัญญาต่อมันต้องสร้าง ม, ม, มันต้องสร e ้างมันจะเกิดขึ้นมาเองนะี่ค่ะค่ะอาจารย์อัตชานก็ต้องสร้างอัตชางก็คือต้องมาฟังธรรมบ่อยๆฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆจะได้เกิดศรัทธามัน่นมีความเชื่อมั่นในคําสัอนคําสอนของเจา้าอ่าค่ะอย่างนี้ก็คือเท่ า, ากับว่าเราก็ฝึกทุกๆท่านที่เข้ามาฟังธรรมก็เหมือนกับฝึกกลีทางกลีทางศรัทธาก่ <u> สร้างศ <th ang. S 1> รัทธาก่อนแล้วก็สร้างปัญญาระดับต้นก่อนสุดญางปัญญา ทางเรื่องราวที่เรายังไม่รู้ไม่เข้าใจก่อนแล้วเราต้องไปไปขยายผลต่ออีกที่หนึง่งอือค่ะค่ะยอมเข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเหมือนเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยยมเอพยายามคือที่บ้านกําลังซ่อมอยู่อะค่ะแล้วบางทีก็อาจจะมีวุ่นเรื่องวุ่นวายกับช่างบ้างแต่เราก็ใช้ธรรมะของพระอาจารย์ที่พระอาจารย์สอนเรื่องยอมหยุดเย็นนะคะยมรู้สึกว่ามันสุดกับที่เราจะต้องไปไปตะเลาะไปเนี่ยเราะว่า ถูกค่ะมันมันไม่รู้เลยค่ะพระอาจารย์แล้วมันยอมรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าถ้าเราให้เขามากขึ้นอีกค่ะยอมรู้สึกว่าคือเคยอาจจะเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ในในในวาระเรื่องอื่นนะคะแล้วพอเราใจเราขุนเคืองขัดข้องแล้วมันไม่สามารถนั่งสมาธิได้ะะอ่ะค่ะพอพอยอมบอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าอพี่จะทําอย่างนี้นะเอาโอเคเราให้เพิ่มอย่างนี้อย่างนี้นะ เขาก็แฮปปี้เราก็ไม่ต้องมากังวลแล้วยอมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่จะคุ้มเกินกว่าความสบายใจค่ะพระอาจารย์ยอมถึงได้ถามพระอาจารย์ว่าคุณธรรมหล่องนี้มันเกิดขึ้นเองหรือเปล่าเพราะว่ายอรู้สึกว่ายังไงมันก็ไม่คุ้มสู้ให้เราอันนี้มันมีการทําข้อสองหลังจากที่เราปฏิบัติสมาธิสติแล้วเราเห็นความสมาคัญของควาสมสงบพอเวลาเรามไม่สมบอบก็เลยรู้ว่าอมันคาดทุนดีกว่า ให้ข่าวอาจารย์รู้สึกทำลรยกาเงินทางแต่มาขัดทุนจากความมุ่นวายใจและไม่คู่กันใช่ค่ะแล้วมันกว่ามันจะสงบอีกทีมันใช้เวลานานมากฉะนั้นเนี่ยช่วยยอมหน่อยาอมยอมเสียท่าหน่อยแล้วใจก็จะสงบเย็นสบายแต่บางทีบางทีเราก็รู้สึกว่าแล้วเราจะอยู่ในโลกได้ยังไงถ้าสมมติเราต้องยอมไปหมดทุกเรื่องแล้วเราเราจะกลายเป็นถึงอยู่แบบนักบุญไงเราไม่ได้อยู่แบบนักทุนเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ทุนนิยมเราบุญนิยม บุญก็คือการให้การขาดทุมแล้วต้องยอมขาดทุนเออจะได้บุญมันจะไม่เป็นการที่คนอื่นจะสามารถเอามาเอาเปรียบเราได้ก็เขาเ้องเอาเปรียบกันแล้วเราจะเขาต้อเอาเปรียบเราอยู่แล้วนั่นเองแล้วก็หวยก็เ้าเปรียบไปแต่เราเราเราไม่เสียใจเราก็คิดว่าเป็นการทำบุญทำทานเข้าไปแล้วกันค่ะค่ะโยมก็พยายามคิดอยู่อย่างนั้นะคะโยมพยายามคิดว่าเราต้องทำตัวเป็นดินอย่างที่พระอาจารย์สอนคได้ไม่ไรไปไม่ได้ บาทเดียวเขาเข้าไปไม่ได้ใช่ค่ะโยมก็พยายามคิดอย่างนั้นพอคิดอย่างนั้นเสร็จโยมก็รู้สึกว่าไม่เอาละเรามันไม่คุ้มที่เราจะกังวลใจเราคนส่วนใหญ่ก็จะอยู่เพื่อเอาหน้าเปียกมาเหนื่นอยู่แล้วเราไม่ต้องไปกังวลว่าจะไปส่องแสงว่าเขาเป็นเข้าอยู่แล้วเราทําเพื่อเราเราทําเพื่อตัวเราทําเพื่อตัวให้เราเราสงบนอให้เราเย็นส่วนเขาจะเอาหน้าเปียกเท่าไรเข้าไปตายไปเขาเขาไปไม่ได้เอาไปแต่ความเอาหน้าเราเปรียกเอาแต่ความ เอาไปเป็นเปลยนไปแบบไปไ ป, ไปเป็นเปลยพวกนี้ถ้าจะเอาแล้วเปเปรียบคนอื่นค่ะอันนี้เราก็โยมไปทำถูกเทวดาเราไปแบบผู้ให้ค <c oughs> ่เดี๋ยวอีกหน่อยก็คงมีค่ะตอนนี้ก่อนเดี๋ยวก็แบ่งคนอื่นไปก่อนโยมถือใช้ ห, หลักธรรมพมวิหารสี่ก็ออ <c oughs> ยอมหยุดเย็นทําตัวเป็นดินนี่แหละแล้วก็ใครจะว่าอะไรว่าเราอูามันบางทีเราก็แอบคิดว่าเอ๊ะเราอ่อนไปหรือเปล่าโลก เราตู้โลกไม่ทันหรือเปล่าแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเวลาเรื่องอะไรก็ตามที่มากระทบเนี่ยยังไม่สามารถคือถ้ามันเป็นเรื่องที่พูดออกไปแล้วมันไม่ดีเนี่ยเราไม่สามารถพูดออกไปได้ค่ะไม่สามารถพูดให้พูดเรื่องที่ไม่ดีอะไรเงี้ยออไปไม่ได้ค่ะได้ดี แ, แสดงว่าสติไม่เบียดเบียนด้วยวาจะไม่สร้างคไามทุกข์ให้เขาเลยครับค่ะพระอาจารย์ กย็ยงก็จะปฏิบัติต่อไปค่ะก็ยอมไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะเพื่อหเยเพื่อธรรมะค่ะพระอาจารย์กับสาธุอ่าถึงแต่วันนี้ไม่มียังทำงานที่บ้านอยู่ยังทํางานที่บ้านอยู่ค่ะก็ยังมีไปที่ออฟฟิศบ้างแต่ว่าวันพุธยงขอเขาทํางานที่บ้านค่ะโอเคเนี่ยกับสาธุค่ะกับต้องมาต้องมาตัองมาตรวจดูนะวันพุนมันมีอะไรที่บ้านหรือเป ค่ะขอพระเจ้าพัดสาธุเจ้าค่ะมันสมโพงต่ายมันสมโพงอยู่ที่ไหนอ่าครับผมอยู่ที่ไหนอยู่เบืองการครับอาจารย์เออมีอะไรไหมก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรครับก็ฝึกไปเรื่อยๆครับโอเคก็ฟังไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆนะครับผมฟังเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับ เอคก็ <Okay. S 2> oh, ตรงนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าจะเริ่มพิจารณากายมากขึ้ น, นครับตอนนี้ออพิจารณาความตายเกิดอยากจะตายพิจารณาอาการ32ครับก oh. ็ไม่มีอะไรครับอาจารย์โอเคสาธุคุณคุณหมอวีรพานเชิดพิศโล ก, กับนั่งพิศโลกรู้เลยหอครับอาจารย์ครับกับมสักการครับได้ได้กลับมาตัแต่วันที่วันที่สองครับอาจารย์ ก็ไม่มีอะไรครับตั้งใจมากราบพระอาจารย์ครับโอเคไว้เจอกันมาทิดนะอาผมกราบสักครั้งคุณชนิสาจากญี่ปุ่นเชิญเป็นเคชนิสาได้ยินไหมได้ยินค่ะกราบับพระอาจารย์เออเป็นยังไงบ้างสบายดีแล้วคะ่ะพระอาจารย์ช่วงนี้ก็ได้เข้าสมาธิ เกือบทุกวันนะคะหลังจากที่ลูกหลักมันก็จะมีเอเข้าได้บ้างแล้วก็เข้าไม่ได้บ้างคือเวลาเข้าไม่ได้พยายามพยายามนั่งต่อไปจนเออไม่ไหวแล้วงั้นออกดีกว่าเพราะพอนั่งไปแล้วมันก็จะมีคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาเองอ่ะค่ะพระอาจารย์สติมันยังไม่สถียนส่วนบนสู้มันไปก่อนก็ได้ถ้ามีเรื่องที่มันเอเอส่วนบนไปเลย ส่วนมันในห้านั่งสมาธิไม่ต้องไม่ต้องขยังไม่ต้องลืมตาสวนไปภาในใจได้ก็สวยไปค่ะช่วงนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นขอขอขอขอโทษ น, นะคะเป็นรอบเดือนหรือเปล่าคือมันก็จะมีช่วงสวิงอะคะ่ะแล้วเวลากลางวันเนี้ย ม, มันก็จะมีอารมณ์ที่พุ่งปีติคือไปลงใส่ลูกอะคะ่ะแบบเขาทำหนกอย่างเล่นเล่นอาหารเล่นอะไรแล้ว ทำของหกทำอะไรเราก็จะปี้ดขึ้นไปแล้วก็มันรู้สึกตัวได้ที่หลังว่าโอ๊ยทำอะไรไปอันนี้<ร>คือเราต้องระวังมากขึ้นต้องเราต้องระวังมากขึ้นเราเรามันมีกำลังแรงแล้วก็ต้องมีสติให้ให้มากขึ้นค่ะวันนี้แบบรู้สึกเสียใจมากก็เลยแบบโอไม่ได้ลนะต่อไปนี้จะต้องคุมสติให้ให้ดีให้ดียิ่งกว่าเดิมแม้ว่าจะมีเวทนาหรือว่าอ่าอ่าสิ่ง ที่อะไรที่เป็นประจำคือรอบเดือนใช่ไหมคะมันมาทำให้สวิงก็ตามค่ะเอาความผป็นภาพมาเป็นมาเป็นบทเรียนสอนเราต่อไปค่ะจะพยายามค่ะพระอาจารย์การเข้าสมาธิคือมันจะจะจะบอกว่าไงดีคะคือเหมือนเคยได้ยินมาจากเพจไหนสักเพจหนึ่งะนะคะเกี่ยวกับธรรมะว่าถ้าสมมุติเราเข้าไม่ถูกหรือว่าเข้าขึ้นขึ้นกลางกลางมันอาจจะทาให อารมณ์ของเราสวิงได้อันนี้จริงไหมคะพระอาจารย์ไม่เกี่ยวกันหรอกมันสวิงของมันอยู่แล้วอารมณ์มันปากคาเทนก็สวิงของมันออมันไม่เกี่ยวกันหรอกเข้าได้ก็ดีเข้าไม่ได้ก็มันก็แสดงว่ายังเข้าไม่ได้นอมหมายถึงเวลาออกมาแล้วค่ะพระอาจารย์เขาเขาถ้าหนูฟังไม่ผิดเขาจะบอกว่าเหมือนจะมีโมหะหรือว่ามีอารมณ์ที่มัน มันแล้วแต่คนอ่ะแล้วแต่คนบางทีเข้าไปไม่ไม่ไม่สุดก็รู้สึกไม่แฮปปี้พอก็อาจจะมีอาการลงค้างก็ได้เราก็อย่าเราก็อย่าไปเราอย่าไปอยากให้มันเข้าเราก็ทำเป็นแบบใช้สันโดษยินดีตามมีตามเกิดอน้าเท่าไหร่ก็เท่านั้นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่คนที่มีอรมณ์เพราว่าไปไม่สุดทางเลยออกมามันก็เลยมีอาการหยุดเหงืตามมาได้อ๋อเงินก็อย่าไปตั้งเป้าว่ามันจะต้องได้ ค่ะไม่ได้แล้วมันก็ยังเหมือนเดงมเราก็บอกเอาเอาไม่ตามเกิดได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไปแล้วแต่สติอาลังของสติมันจะพาไปแล้วกันค่ะคือไม่ไม่ได้จําเป็นว่าทุกครั้งที่เราทําทุกอย่างแล้วเรานั่งเรานั่งสงบมันจะสนุกทุกครั้งอะไรทุกอย่างแต่มันไม่เข้าอันนี้ก็คืออฮะะธรรมดามันไปตกปลาเน่ะมันมังมันก็ได้นะตัวมังมนก็ได้ตัวเดียวมังมันก็ไม่ได้เลยอืมมันก็เลยอาจจะเป็นความ ความกดมดันหรือว่าความเครียดสะสม อ, ะออกมาใกรตกปลาดได้ไหลายตัวพอวันที่ได้ตัวเดียวมันก็หมดหิดขึ้นมาแล้วค่พจะพระอาจารย์จะพยายามมากขึ้นค่ะก็เพียงแตสอนเราว่ามันได้มากได้น้อยก็อยู่ที่กำลังของสติเรามันได้สติเรามันกำลังมากวันนั้นก็จะได้มากมันได้ก็สติน้อยมันก็นจะได้น้อยค่ะ ตอนนี้ก็พยายามพิจารณาหมายถึงใช้มรณนรุ้สติเข้ามาเข้ามาช่วยด้วยนะคะคือพยายามคิอ่าย่าให้มันคิดมากให้มันหยุดความคิดแทนนะอย่าคิดเรื่อยไปอย่าฟุ้งซ่านค่ะพระอาจารย์จะนำไปปฏิบัติค่ะหละพระอาจารย์เจ้าค่ะต่อไปคุณพัทราพรกาลิโอจากสเปนอิบิซาครับหลวงตา กับนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อยังไงแฮปปีนิวีย์หรือเปล่าปีนี้อยากเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่ทะลา่ทลากกับแฟนนะครับไม่เย่นนิวีย์ทะเลาะกันต้องหยุดเจ้วค่ะลองหยุดเย็นได้นะเจ้าค่ะจะทำอะไรก็ทำแต่เขาเป็นเจ้านายแล้วเราเราเป็นคนรับใช้เขาคิดอย่างนี้แล้วจะสบายใจเขาเป็นบอสเราเป็นเซิร์ฟเวอร์เราเป็นแจว เจ้าหลวงพ่อเจ้าข้าเดี๋ยวเขาจะมาพอเรายอมเขาเดี๋ยวเขาก็เจะกลับมายอมเราเองหลวงพ่อพอเราเป็นเจ้าป้าต่อไปเขาจะกลับมาเป็นเจ้าเราเองเจ้าข้าถ้าเราจะไปเป็นบอสเขาก็จะกลับมาเป็นบอสเราทำอะไรได้ไหมเจ้าข้าหลวงพ่อเจ้าข้าหลวงพ่อหลวงมีคำํามเรี้ยวมีคำถาม ก็คือช่วงนี้งานค่อนข้างเยอะครับงานเกือกับฟุตบอลแล้วก็แล้วก็เหมือนเครียดมากเพราะเหมือนจิตเราเหมือนไม่สงบเลยครับพยายามอยากจะเอาเรื่องงานออกจากอยากจะแค่ซ i ด d าว n ะไรครับ not h i n g about anything ก็ต้องรู้จักแบ่งเวลาต้องแบ่งเวลาอย่าให้ให้งานมันมาเอาเวลาของชีวิตเราไปหมดเราต้องมีเหมือนเวลาทำงานก็เวลาพักผ่อนเพราะงานมันเป็นเหมือน ผีหลานชื่อเราไม่ได้ทำํำก็เรากาหนด ไ, หนได้เนี่ยเราอย่าไปอยากได้มันมากเกินไปเนี่ยลดลดลดเป้าหมายให้มันลงน้อยลงลดงานให้มันน้อยลงตอนนี้ก็เคียงงานเก่าไว้ก่อนอยากงานใหม่ก็อย่าเพิ่งไปรับมันอย่าให้มันอย่าให้งานมันคอนซูมเราเพราะจะให้มันกินเรารตอนนี้เรื่อควบคุมมันเรื่อง<า> ไม่มีเวลาเลยทุกอย่างกลายเป็นงานเป็นหมดเลยจะนอนอะไรก็เครียดเรื่องงานได้ก็เพราะเราปล่อยให้มันเป็นไปตามความอยากของเราอยากได้มากๆอย่างได้มากๆก็คำ ม, ม, มากต้องรู้จักปฏิเสธบ้างต่อไปเออเตรียมพร้อมที่จะเสียบ้างอย่าไปคิดว่าจะต้องได้หมดถ้ า, าอยากจะได้เวลากลับมาเวลาของเราสําคัญจิตใจของเราก็สําคัญยิ่งกว่าเงินทองที่เราจะได้อย่างงานนี้ ได้งานเวลาวได้เงนินเวล้แต่จิตใจเสียเนี่ยมันก็ขาดทุนนะใช่ไหมเครียดนะมไม่สงบใช่ไหมไม่มีความสงบใช่ไหมอย่างม่นจะได้เงินมาก็มันก็ไม่มีความสงบเงินทำ ค, <ต>ความเครียดไม่ได้นะได้งานได้ชื่อเสียงมีปัญหาโน่นนี้นั่นใช่คนที่มีชื่อเสียงได้งานไม่เยอะมันกน็เครียดมากกว่าเพราะมันจะต้องรักษา คนต้องรักษาชื่อเสียงต้องรักษาเงินทองก็ต้องหามาให้มากกว่านี้มันได้อค่ น, นี้มัไม่พอหรอกเข้าใจไหมยิ่งได้มากยิ่งอยากได้มากเลยครับก็คือต้องทําให้พอใช่ไหมก็เหมือนก็เรียวก็กาลังเรียน อ, อยู่อะเนี้ยแต่พอพอเริ่อมันเราต้องดูเป้าหมายว่าเราต้องการใช้เท่าไหร่มาได้ถึงเป้าแล้วก็พออย่าให้มันมากไปกว่าความจำเป็นที่เราต้องใช้กับมันแค่นี้ ครับเพราะงานที่ทําอยู่มันเหมือนเราเหมือนเป็นเอเจนซี่ก็คือเหมือนดูแลนักฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยครับอาชีพพราวดูแลสโมสรฟุตบอลโดยอาชีพก็รับน้อยรับได้เนี่ยรับมากรับน้อยได้ไม่ใช่จะรับแบบแต่แต่ก็ได้ไม่มีเวลาหลับนอนเลยครับก็ต้องรู้จักปฏิเสธบ้าเลือกงานไหมชอบนี้ไม่เอาไหมเอาชอบนี้อะไรไ ป, ไปรทําได้เท่านี้ทําก็รู้เองอ่ะทั้งก็รู้เราคนคนเดียว เราดีไม่ดีเรา ล, ลมากมากเกินไปคุณภาพของงานก็อาจจะไม่ดีด้วยใช่ไหมครับว่าเราไม่สามารถให้ให้เวลากับมันได้อยา่างเต็มที่ครับนะเราต้องรู้จักเราต้องรู้จักอความพอดีมากความพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปสําหรับกาลังของเราครับดูครับขอบคุณครับทุบาท่าน โอเคขอบคุณเจ้าค่าหลวงพ่อมีอะไรไหมไม่มีใช่อ่าลูกลูกอยู่ความอยู่ับความสงบว่างเปล่าจ้ค่ะอ่าดีเขเรียนรูเจ้่ะอยู่ระความว่างเปล่าสงบดีสุดลูกแต่เ้าน่าจะเรียนเล้วมัเสียเาฉลาดดีคเจ้าค่าหลวงพ่อโอเคนะขอคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะ ไปที่ยองิงก่อนยองหญิงเชียงใหม่ใช่ไหมได้ค่ะอาจารย์นัมสการก็ค่ะอปกติหญิอยู่ใยูทูบฟังอาจารย์ก็ค่ะแต่ว่าเมื่อกี้หญิงก็มาเพราะว่าหญิงฟังพี่นิสาที่พเขาถามอาจารย์เรื่องว่าจะมีพามาบอกวิธีปฏิบัติถ้าเราอยู่ออ่บนสวรรค์เอทีเนี้ยค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่า สวัสด์มันต้องกำหนดชั้นด้วยไหมพะจันทรย์จะไปหาหนูไหมเราไม่รู้เรื่องสวัสด์ขนาดเราไม่ไปหาใครนะนะหนูหนูอยูเป็นมนุษย์เรายังไม่ไปหาใครเลยใช่ใช่หนูรู้ไม่แต่หนูว่าพะจันทร์เมตตาแต่แต่ว่าประเด็นคือหนูเคยได้ยินว่าเหมือนพะจันทร์เคยพูดว่าถ้าเราเสียชีวิตแล้ว่ค่ะเราเราก็จะลืมว่าเราเป็นเป็นเป็นใครเพรเราเปลี่ยนสถานะเราไปแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะ ก็แล้วแต่ว่าเรามีความจําดีไม่ดีบางคนก็จำได้แต่ชาติได้บางคนก็จําไม่ได้อ๋อเจ้าค่ะเออมันหนูหนูเรียนเอบาลีสี่แล้วเขามีอคัญญสูตรอะคะ่ะพูดถึงอภัสราทีนี้ยคือชั้นนั้นนะคะ่ะเขาก็ต้องตกลงมาเนี้ยทีนี้ทุกชาติออทุกชั้นต้องต้องตกลงใช่ใช่ถูกกวาดลงมาหมดอย่างเนี้ย ค, <พอ S 2> ค่ะความคุณหมดมันก็ลงมาเองก็ ถ้าถ้าปกติที่หนูเคยฟังมาจันพูดกับเออ่เพื่อนๆในในซูมเ น, นี้ยค่ะก็จะมีคําถามเหมือนกับว่าเออทางที่ดีก็คือกลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์จะได้มีการปฏิบัติต่อใช่ไหมเจ้าค่ะเก็ไม่ดีแบบไม่เกิดอนะันดีที่สุดอ๋อ <ไป S 1> ใช่นะอันนั้นคือเป้าหมายสูงสุดเจ้าค่ะแต่ว่าคือถ้าถ้าโชคดีก็คือได้กลับมาเป็นมนุษย์ต่อเนื่องเราได้ปฏิบัติต่อใช่ไหมเจ้าค่ะแต่เนี้ยถ้าเกิดไปมาเป็นเทวดาเนี้ยหนูก็เลยฟังพี่นิสา ที่ถามพระอาจารย์นะคะก็เลยอยากทราบว่ามันมีการจํากัดชั้นด้วยไหมเจ้าค่ะก็บุญงานเป็นตัวที่ที่จะเป็นตัวส่งขึ้นไปยิ่งสูงเท่าไหร่มันก็มันก็อาจจะไม่ปฏิบัติว่ามันสุกมันมีสุงมากมันก็เลยไม่ปฏิบัติกันอ๋อเนี่ยหนูหนูเพราะว่าหนูเคยอ่านมาแล้วมันประมาณนี้ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันหมดสูงมันก็ต้องมาปฏิบัติเองดีเดี๋ยวพระอาจารจะไปหาใช่ไหมเจ้าค่ะ S <S <S ไม่มีเจอรับบ่ารับไม่รกลรับบ่าไม่กล้ารับบ่านเจ้าค่ะแต่หนูอถ้าถ้าหนูคิดถึงพอาจารย์เขาจะต้องมาแน่เลยถ้วเข้ามาในสูมได้เนี่ยไปดูในเพจเราได้ถ้าอยากจะเจอกันเราใช่ใชหนูเจอพอ า, าจารย์เรื่อยๆเจ้าค่ะทุกวันหนูตามตามอาาาลอดเจ้าค่ะเออมีคําถามหนึ่งเจ้าค่ะคืออย่างวสติหนูหายไปเจ้าค่ะอาจารย์วันเนี้ยเมืม่อไม่ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะหนูไปซื้อดอกไม้แล้วก็คือคนขายบอกว่าพวงละหนึ่งรอยบาท สี่พวงหนูก็ต้องจ่ายเขาสี่ร้อยใช่ไหมแล้คะเขาบอกเขาลดให้หนูอ่ะสี่ร้อยแปดสิบหนูก็จ่ายเขาไปสามร้อยสร็จแล้ไอใบที่สี่เนี่ยหนูกำลังดึงแล้วหนูว่เอ๊ะมันแปลกๆนะอะไรเงี้ยเคราปกติอะค่ะหนูสงบมากหนูอยู่แต่ในบ้านแล้วไม่ได้ทําอะไรหนูก็นั่งค้นหนังสือธรรมะอะไรไปเรื่อยเปื่อยฟังเทศอะไรเงี้ยค่ะคือหนูเหมือนคนใช้ชีวิตลอยๆมีความสุขแม่หนูก็เลี้ยงหนูแบบให้หนูอยู่ตามสบายค่ะทีนี้พอหนูไปเจอคนขายเขาใจดีกับหนูว่าเขาลด ให้หนูสี่พวงสี่ร้อปสิหนูก็เลยรีบจ่ายเขาไปเลยห้า้อยแล้วเขาทอนหนูยี่สิบคือแต่ตอนที่หนูชะงักที่สามร้อยอ่ะอาจารย์หนูเอ๊ะแล้วอ่ะนี้มันหายไปไหนอ่ะอาจารย์สติหนูอ่ะไม่รู้แล้วเราไม่รู้ไงล่ะสติมันหายได้คนหลาครับหนูหนูงงเหมือนกันนะเพราะว่าหนูเอ๊ะแล้วอ่ะบทีมันไปคิดเต็มมันเปคิดเยอะหน่อมันก็เผลสติแร้วไม่ได้ ที่นี่หนูไม่รู้ว่าตอนนั้นแม่หนูก็บอกว่าหนูอ่ะเอาจิตไปจับจุดอื่นแล้วหนูเลยไม่อยู่ตรงนี้ตอนที่หนูชำระเงินอ่ะแต่ว่าหนูอ่ะไม่มีอะไรในหัวเลยหนูโล่งเหมือนเหมือนคนไม่มีสมองอาจารย์มันคืออะไรอ่ะก็ว่างมันก็คือว่างคืออะไรคือไรสมองมันก็หยุดคิดมันอาจจะหยุดคิดชั่วแป๊บหนึ่งก็แล้วอ๋อมันป็นเอาแต่หนูตหนูเดินไปแล้วหนู พอมันยุคพิสัยมันก็ว่างกันมาค่ะมันเหมือนไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยอาจารย์แค่รู้สึกว่าแปลกแล้วมันก็หายไปเลยทุกอย่างเออก็พิจารณามันเป็นอันนี้จังไปแล้วกันอนาตตาไปหมายถึงตอนนี้เหรอคะกลับมาเป็นตอนนั้นตอนนั้นอะตอนนั้นไม่ต้องไปสนใจแล้วมันผ่านไปแล้วใช่มันผ่านไปแล้วตอนนี้อนาคุณหนูหนูจะต้องทําไงให้มันไม่หายไปแล้วภาวะแบบนี้มันคลื่อนก็ฝึกสติให้มากขึ้นฝึกเมตตาให้มากขึ้อ๋อจ้า หนูกลับมาหนูเดินไปได้แป๊บเดียวหนูกลับมาสะ ก, กิดหลังแม่ค้าแม่ค้าเขายิ้มให้หนูแล้วเขายินแบงค์หนึ่งร้อยคืนให้หนูหนูไม่ต้องพูดอะไรเลยขเขาก็คืนให้หนูก็งงๆแล้วก็เดินกลับมาเอ๊ะหนูหายไปไหนมาอมวันๆห น, นึ่งเราจะหายไปไหนเจ้าขาอาจารย์ ก็ไม่รู้หรอคกคนสนใจมันไม่รู้เรา อ, อย่าไปรู้ได้ไงพะฉภาวะแบบนี้มันเรียกว่าภาวะอะไรเจ้าคะ่ะวา่างเปล่าเฉยๆอย่างเงี้ยเหรอเจ้าคะเออวา่างเปล่ามันมีโอกาสที่จิตเราไม่ได้ไปจับเรื่องอะไรแล้วก็หายไปเลยอย่างเงี้ยเหรอเจ้าคะก็ ม, มีมีได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเพราะรู้ว่ามันเกิดแล้วเราก็รู้ว่ามันไม่เชี่ยมันผ่านไหมไแล้วก็จบอย่าไปสนใจกัน อืมเจ้าค่ะอยากคิดว่าจามาเป็นบทเรียนเจ้าค่ะเลยอยากจะอลองมาทบ ท, บทวนดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเจ้าค่ะบทนี้นก็เกิดต่นน้นเราไม่มีสติก็แล้วกันอ๋อเจ้าค่ะพรนะเโ อ, อเคนะเจ้าค่ะหนูเป็นแฟนขหาผ่านหนูตามดูทุกช่องทางเจ้าค่ะโ อ, อเคสาธุกดแชร์ดชกดไลน์ด้วยนะกดแชร์กดไลน์ด้วยตลอดเวลาเ จ, จ้าค่ะอ๋อจะบอกพี่ชื่อพี่เอ่าสาสา ทอนอะไรเมื่อกี้ที่เขาอยู่อเมริกาพี่นิสาเลยไม่ใช่ค่ะพี่นิสาคือคนที่ดึงหนูเข้ามาแต่ว่ามีพี่อีกคนนึ่งชื่อพี่สาลินท่าอนหรือพี่สาลินชาลินทอนใช่ค่ะพี่ชาลินทอนว่าแต่ก่อนหนูเคยทําำรับผิดชอบงานในบ้านค่ะเป็นรับหมัาแล้วก็มักจะโดนเอาเปียบแต่ว่าหนูลุดพ้นจากจุดนั้นมาแล้วค่ะจนถึงวันหนึ่งก็คือเหมือนที่ผ่านจาันบอกยังไงก็คือเขาจะเอาเปรียบเราแล้วก็เลยปล่อยเขาไป แล้วก็สวัสดีค่ะว่าค่ะว่าลบได้ค่ะพี่เท่านี้ค่ะพี่คิดดีแล้วนะคะแต่ว่าหนูก็ต่ำนั้นนี่ฝากพี่ฝากพี่จะรินนอนค่ะว่าวันหนึ่งเราจะถึงจุดนั้นคะแล้วก็พวงพวงละสี่สี่รอยสี่ปดสิบค่ะเขาลดให้แล้วว่าอันนี้ยเราจะถึงจุดนั้นคขะขอบคุณเจ้าหางค่ะด้านที่ถึงนะเจ้าหางจะสาธุจะคุณแอปต่อแอปไปอยู่เชียงใหม่เหมือนกันะ กลับนมัตการครับอาจารย์กลับถึงเชียงใหม่ได้เมื่อไะกลับมาถึงเชียงใหม่ได้อประมาณอาทิตย์กว่าครับกวสิบวันนะครับอเข้า mm hmm. ไปใส่บัตรก็แทบทุกวันเหมือนกันครับช่วงช่วงไปอยู่บ้านอำเภอครับอาจารย์ mm hmm. ครับก็วันนี้ก็มาฟังทำได้เฉยครับแต่ก็คือสติยังยั ง, ย, งยังน้อยครับอุบัติการณ์ยังมีน้อยครับอาจารย์อพยายามเพกเพื่อมากมากครับ ครับฟังคุณได้ผได้ครับอาจารย์ก็ฝึกอยู่ทุกวันครับแล้วก็ฟังธรรมให้ฟังธรรมช่วงบ่ายก็มันก็มีกําลังที่เราก็ปฏิบัติมากขึ้นครับแต่ก็แต่ก็มีนิวรครับอาจารย์ที่นิวรณ์ก็คือการกินนั่นแหละครับบางทีอยู่กับครอบตัวช่วงเย็นรับรับลูกรับอะไรเสร็จมันก็กินข้าวเพิ่งมาถึงบ้านก็นิวรก็จะเกิดครับก็ก็ ก็เข้าใจครับแต่ถ้าวันพระเราก็อ่าจถือปีนแปดครับมันก็นิวร์ก็ไม่เกิดครับ อ, อบาจารย์ครับอถึง น, นะกับนักกันครับคุณมาเลยจะมาเลยมุธากาศเนะนี่ยหลวงอค่ะอีหนึ่งก็ไม่มีเอาว่ามาหลยมุด ไ, ได้เลยไม่วันมนี้ไม่ไม่ให้ ม, ม, ม, มีคำถามส่ะ ไอ้คำถามมันในอะไรมาเล่าอ่ะก็กลับมาจากที่ไปไปวัดป่าค่ะงพ่อคือก็เหมือนคือที่ที่ไปอะค่ะหลวงพ่อคนคนจะค่อนข้างเยอะแล้วพอดีที่จองที่พักไว้ก็ไม่ไม่ได้ก็เลยเหมือนแบบทรมะจับสรราะว่าให้ไปนอนบนศาลาอะไรนี้ค่ะก็อยู่ได้ค่ะแล้วก็ไฟ ไปแทบจะไม่มีเลยค่ะหลวงพอ่ อ, อมืดมืดก็อยู่ได้ทีนี้เวลาช่วงที่อยู่คนเยอะๆค่ะหลวงพอ่อเวลานั่งภาวนาก็คืรู้สึกแปลกใจว่าเออเราก็นั่งนั่งภาวนาได้ทั้งนั้นที่คนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพอ่ อ, พอแล้วทีนี้สติเราดีไงสติเราดีมืเบิกขาเรามากนั่นไม่วุ่นวายนะครับคนรอบข้างค่ะหลวงแล้วแล้วทีเนี้ย ถ้าถ้าเราฝึกแบบเนี้ยไปเรื่อยๆอะค่ะหลวงพ่อมันจะมีแบบถอยแบบเสื่อมแบบครอะไรไหมคะถ้าติถ้าเราถ้าหยุดทํามันก็จะเสื่อมได้ถ้าเราไม่ทำต่ออย่างต่อเนื่องมันก็จะถดถอยได้ต่อไปค่ะแต่แต่สังเกตตัวค่ะหลวงพ่อตั้งแต่พอกลับมาได้สองวันเน่ยมันมีความรู้สึกว่ามันจะ ด, ดึงดึงเข้าสงบเยอะขึ้นกับเดิมแล้วก่อนก่อนที่หนูจะเข้ามาหาเข้าสูงหลวงพ่อเ น, นี่ยมันหนูก็ เปิดปุ๊บเนี่ยมันดึงดึงเข้าจนหนูต้องวางหนูต้องสงบตั้งนานนะคะกว่าจะออกมาค่ะกว่าจะกลับกลับมาเข้าเลยค่ะคือมันจะทำให้เราพักอยู่ในสมาธิอยู่ตลอดเลี้ยมันมันมันอยากจะเข้าอยู่ต่อเวลาก็ดีก็ดีไม่เสียหายตรงไหนเข้าสมาธิได้เท่าไหร่ได้ดีค่ะแล้วมันจะก้าวขึ้นต่อไปอะคะ่ะหลวงพ่อที่หลวงพ่อสอนเมื่อพูดที่แล้วอะ่ะให้ให้พิจาร ร่างกายพิจารณาออกทางปัญญยายอย่างเนี้ยเขาอยู่ะก็มันหนูยังไม่ได้ยังใช้ไม่ได้เยอะะค่ะมันเหมืนอนมันไม่ค่อยมีเหตุการณ์อะไรที่ก็ต้องพิจารณานอกจากร่างกายต้องพิจารณาเรื่องอื่ด้วยเรื่องงานเรื่องการเรื่องคนรอบข้างเราเรื่องสภาวะของโลกทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันดูให้ให้ดูทุกเรื่องเลยเใช่ไหมทุกเรื่องเลยที่เรามารับรู้กันบ้า เห็นอะไรก็พิจารณาเป็นตายรับไปหมดเลยแล้วแล้วสิ่งที่มันจะทําให้เราติดขัดที่เราก้าวไปไม่ไม่ถึงขั้นต่อไปเนี่ยมันมันคืออะไรคะหลวงพ่อ ก, การไม่ปฏิบั <c oughs> ติอย่างนี้ถ้าปฏิบัติมันก็ก้าวไปเรื่อยๆมันก็ปฏิบัติทุกวันนะคะหลวงพ่อหรือว่าเราเรามีความคิดที่เราเราอยากมากเกินไปมันเลยทําให้เรารู้สึก ได้เราอยากจะให้มันเถ่งเร็วแต่มันยังไม่ถึงมันก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ก้าวหน้าแล้วค่อยๆทําไปเหมือนกินข้าตรงนี้หนึ่งไม่มอยากจะให้ร่างกายโตเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้เนื้อต้องค่อยๆกินไปเรื่อยๆถ้าเราคิดว่าเราเข้าสมาธิได้ชํำนาญนะรเราก็เวลาออกจากสมาธิมาแทนที่จะเจล้วพุทธโธเราก็พิจารณาตายแ ล, ล้วไปรูปเสียงกินแล้วก็เป็นตายแล้ว ลาบยุดสรรเสริญก็เป็นไต่ลนะคนนอกข้างเราก็เป็นไต่ลนะสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่มันก็เป็นไต่ลนะทั้งก็คือรวมหมดเลยทั้งคนสัตว์สิ่งของทุ ก, ทกอย่างใช่ใชสัพเพสังกาลานิจจาของทั้งหลายทั้งปวงทำไปยื้ก็เป็นทุกข์ทำไปยืกกป้กับเขาเป็นทุกข์เวลาเขาเปลี่ยนไปเวลาเขาหมดไป อือย่างอย่างสมมติเกี่ยวกับคนอย่างเนี้ค่ะหลวงพ่อคือเขาก็ไม่เชื่อค่ะเราจะเหมือนจะให้เขามันอย่างใจเราให้<ม>เขาเหมือนเดิมไม่ได้ไไดถ้าถ้าสมมุติว่าเราเราทําใจยอมรับได้นี่แสดงว่าเราเห็นความจริงแล้วใช่ไหมคะหลวงพ่อได้ เ, <ร>เห็นเขาว่าเป็นอน้าตา<ม>เราไปก็คงมังครับเขาไม่ได้ค่ะไม่ทุกข์กับเขาไม่โกรธเขาไม่เกลียดเขาไม่อะไรกับเขาเฉยๆไป เบรคา้าไปโอปเบรกขาไปไม่ต้องไปทุกไม่ต้องไปคาดหวังไม่ต้องอแต่แต่ให้เราทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูกต้องส่วนเขาจะกลับตอบกลับมาในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ เ, เป็นเรื่องของเขาใช่ไหมคะหลวงพ่ใช่เป็นเรื่องเขาเป็นเิื่องากาันไงเราไปบังคับก็ไม่ได้ค่ะ ต, <า>ต้าเข้าใจแล้วค่ะหลวงพ่อโอเคนะทําต่อไป เปิดกาปัญญามากก็ได้นะถ้าเปิดมากไปใจฟุ้งก็กลับไปทาสมาธิใหม่สลับกันสมาธิยังทิ้ง<น>ไม่ได้สมาธิต้สนับสนุนปัญญาพอใจไม่สงบก็ต้องกลับเข้าไปทาสมาธิต่อค่หลวงพ่อก็คือสลับกันสองสองแบ บ, บออย่างนาทำคโอเคไปที่เปิดวาลิตวาลิตขอบพร<อ>ะคุณค่ะหลวงพ่ออย่าหนาึบ ส า, าุค่ะครับนำมันตการผลแรกในปีนี้นครับหลวงพ่อก็ก็ชอบที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้อะไรอ่ะบุญนิยมไม่ใช่ทุนนิยมเป็นคำที่แบบชอบอ่ะคำนี้เดี๋ยวผมต้องจารึกไว้ในความทรงจำครับคำนี้นี่พอดีแลาวก็ไปอ่านมาพอดีออพอดีมีมีเพจที่เ็าเขาสนับสนุนให้ทาให้ให้ให้ค้าขายแบบขาดทุนไม่ให้กำไร การขาดทุนของเราเป็นการกำไรทางบุญท้ายของถูกกว่ากว่าต้นทุนเนี่ยยอมขาดทุนครับหรือแจกฟรีะไรก็ได้แล้วแต่เราจะยอมขาดทุนมากน้อยเพียงไรครับรจะไม่เอากําไรจะไม่เอากาไรเพราะเราไม่นิยมเราไม่สะสมทุนเราสะสมบุญครับเพราะทุนเราไปไม่ได้ครับเราไปได้แต่คือบุญครับแล้วก็มีเรื่องที่พิจารณาเช่นวันก่อนพ่อบอกอ้ามีผมงอก ผมว่าผมงอกขึ้นแล้ววสองเส้นผมอ๋อผมมันถึงวันนี้แล้วสินนะที่เราผมงอกขึ้นเราดูคนนู้นคนนี้แก่โอเควันนี้เราผมหงอกขึ้นแล้วโอเคพิจารณาที่ตัวเองเนี่แหลนนะั่นแหละเราสําคัญกับคนอื่นใช่ครับโอเคเรา20กว่าผมขาวมาแล้วโอเคโอเคแล้วลึกได้เลยสติเอเกิดแกะรู้เลยว่าตัวเองมาแล้วโอเคที่เราแบบเห็นตั้งแต่เด็กว่าคนแก่ผมจะหงอกนะโอเคเรามาแล้วเส้นแรก <Okay. S 2> ก็แบบนั้นเลยครับหลวงพ่อ <Okay. S 2> แล้วก็แล้วก็อันนึงที่หลวงพ่อบอกว่าคนที่เริ่มปฏิบัติธรรมมันก็จะเหมือนตักฟอกผ้าให้ขาวมากขึ้นเวลาอะไรที่ไม่ดีมากระทบเปลื่นผ้าก็จะเห็นได้ชัดเจนง่ายขึ้นแล้วถ้าสมมุติแต่ก็คือเวลาเราเห็นไรเลอะเราก็ไม่ต้องสนใจมันให้มองว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะเราก็ยังไม่ใช่เป็นพระ อ, อริยะอะไรเราก็แค่ อ่ะเราผิดพลาดแล้วค่อยๆแก้ไขแก้ไขแก้ไขเปื่อนก็เช็ดเปื่อนก็เช็ดอะไรแบบแบบนี้ใช่ไหมครับหลวงพ่อใช่แต่ยังไม่ได้เรายัางทํำก็สอบทุกข้อไม่นานผิดข้อไหนแล้วก็มาแก้ข้อนั้นไปอ๋อแต่เมื่อผ้าเราสะอาดขึ้นเราก็จะมองเห็นว่าผ้าเราเปื้อนได้ง่ายขึ้นเช่นกันเมื่อเทียบกักบก่อนหน้านี้ที่ผ้าเราเป็นผ้าสกปรบบกอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอ๋อครับ โอเคก็โอเคก็จะตั้งใจให้มากคือพูดอย่างนี้มาเป็นร้อยปีแล้วไม่พูดดีกว่าต้องลงมือทำเลยแต่ว่าต้อพูดมากมากพอแล้วใช่ครับราคาคุยก็แล้วต้องาราคาทำบ้างใช่ครับก็โอเคขอบคุณหลวงพ่อสวัสดีปีใหม่ครับผมก็การขอบคุณมากครับสาธุร้อยทำมากๆขึ้นแั้ะกันทั้นให่นี้ยมากขึ ไปที่คนคัชิปต่อคันชิปไปลงภาอส่าพใสารทุ่งแต่คัดชินได้ยินไหมคันชิปหลังมังคอภาพหรือนงสมาธิเรางไปที่คนกรอฟก่อนอ่ะเจอแล้ากรอฟแล้วอบก่อนกั บ, บนมัตกา ร, รพระชานาครับ ฟังฟังธรรมทุกวันครับพอพอก็พตอนบ่ายก็ใส่หูฟังครับแล้วก็ฟังเทศครับแล้วก็เหมันตอนปีใหม่ครับพระอาจารย์เทศเรื่องอภัยทานเรื่องอะไรเงี้ยก็ทำจิตไปตามที่พระอาจารย์เทศก็คือทาได้หมดแล้วรู้สึกว่ามีความสุขมาครับฟังสองสารอบครับพอฟังแล้วแบบว่ารู้สึกว่าเราได้ฟังและคิดตามแล้วก็จเจริญจิตไปตามที่พระอาจารย์เทศทั้งหมดเลยครับ ก็ทำได้แล้วก็ปีนี้ก็รู้สึกว่าปฏิบัติก้าวหน้าจากปีที่แล้วมากมากมากเลยครับโอเคเรื่องกำไรนะปีนี้ที่มีกาไรนะครับกำไรมากขอบคุณครับปีหมนี้ก็กําำไรกับมากกว่าปีที่แล้วเพิ่มกาไรมากขึ้นไปเรื่อยๆครับอาจารย์ขอบคุณครับโอเคสาธุอัวนอุ่นปุ๋ยจากนักเสมออุ่นปุย พได้พูดได้อ่าคุณ ไ, ได้เลยวันนี้คุณปุ้ยอะเอไม่ได้ไปทำงานเพราะว่าเกเลคืออยากจะปฏิบัติธรรมก็เลยลาแล้วพอดีว่ารู้สึกไม่ค่อยจะดีกับหัวหน้าใหม่ด้วยก็เลยอยากจะเอาเวลามาชาร์จแบตเตอรี่ด้วยค่ะอ่าฮะคุณปุ้ยไม่ คุณถามหลอกค่ะคุณปุ้ยโก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆเมื่อวันสิ้นปีนะเราไม่มีวัดเราไม่ได้เราก็สวดมนต์ข้าม่ํามข้ามปีอยู่ที่บ้านนี่แหละค่ะอ่าดีค่ะขอให้น้าให้ด้วยขอให้สพเปเจริญช่วยเมตตาบางหนึ่งลยนะกับขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์เออาตอนที่คุณพ่คุณพ่ที่หรือคุณโทที่ใช่ไหม หลักสอนลา ว, ลาวมาไม่ทำอ่านถูอ่าให้เลยเปิดปิดหมดเลยเปิดไม่ทีไม่ยังไม่ได้เปิด อ, อยู่ที่ไหนลงพออาจารย์เป็นคนลาวเหรอโดยขนอดนคนาลาวอยู่เมองไหนอยู่เมืองลาวเมื่อานเนือ สวัสดีครับอยู่แคร์เวงจันท์แครวงจันนโอเคมีอะไรไมหมไอยทังธรรมะพระอ า, าจารย์ทุกวันและ่ะเกิดสัทธานะอยากอยางเห็นอยาเจออดียินดีตอนรับมีอะไรอยาถามไหมโด ย, ยปฏิบัติคือทุกวันนะพระอาจารย์ที่ตืน่นเศ้าจะหลับดีได้ผลดีไหม พอเห็นจิตเกิดดับทั้งวันนะพระอาจารย์อี่ดแต่ลักตลอดเอดต้องนอกจากจิตแล้วต้องร้มงยังด่งานกายดูดูดูสิ่งต่างๆด้วยนะเกิดดับทุกอย่างเกิดดับหมดดีปฏิบัติเพื่อปล่อยวางเพื่อให้ใจสบายนะอย่างช้นเราท้งกันสบายดีใช่ไหม สบายดีเลยสบายดีอโอเคปฏิบัติธรรมก็ให้คุณสบายดีนะเดยโอเคอเราแค่นี้ก่อนนะโดยออโอเคขอบใจขอบคุณนากอาจารย์สาธุดีใจโอเคสวัสดีคุณชั ย, ยานิตาชัยนิต กราบนมัสการเจ้าค่ะวันนี้ลูกเข้ามาร่วมฟังธรรมเจ้าค่ะแล้วก็เจริญสติตลอดวันนี้ไม่มีคําถามเจ้าค่ะได้ฝากไว้ในเฟซบุ๊กแล้วเจ้าค่ะเอีฝากไว้แล้วนะโอเคก็ถามไม่อยากจะถามเองนะอ่าตอนแรกนึกว่าตัวเองไม่ว่างอ่ะเจ้าค่ะก็เลยฝากไว้ก่อนเลยเจ้าค่ะอันนี้เดี๋ยวตราไปเพื่อนรูกัแล้วกันได้ค่ะได้คุณชนะดาต่อ นานาสมุดปาการเนี่ยัสศึกาเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ <มา S 2> เออ ม, มีเวลาไหมปีนี้ก็เอ่อจะไปปฏิบัติธรรมทุกเดือนค่ะจองอที่เขาชีโอนไว้แล้วว่ะค่ะเออดีทุกเดือนเลยเหรอเอาทุกเดือนเลยค่ะเออดออีมีเป้าหมายนะอธิษฐ <c oughs> านนะมีเป้าหมายแล้วค่ะทำแล้วค่ะพระอาจารย์ถ้าไม่ตั้งเป้ามันก็ไม่ได้ทำนะดี ค่ะผอาจารยนลอแหลมมาเยอะแล้วค่ะก็ต้องเอาจริงแล้วค่ะผอาจาย์ต้องเราจะทําเท่าเท่าที่แบบทําได้ค่ะาอาจารย์นทาท <ำ S 1> จาก<ห>น้อยไปหามากทําจากน้อยไปหามากค่ะาอาจารย์ค่ะดีอย่าทาเกินกาลังเพราะมันมันทําไม่ได้แล้วมันจัดท้อค่ะทําไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันเพิพ่มไปได้ต่อไป มันจะมีกำลังมากขึ้นไปตามกำลังค่ะพระอาจารย์มีอะไรอยากจะถามไหมจริงจริงจริงๆก่อนหน้านี้มีแต่ว่าลืมไปแล้ว่ค่ะพระอาจารย์เลยไม่รู้จะถามอะไรคระบอาจารย์ไม่มีก็เลยสรุปว่าไม่มีแล้กันค่ะพระอาจารย์เออพักไว้ก่อนนะมีว่าจมาถามก็ได้ไรได้ค่ะพระอาจารย์ตรงนี้เป็นเข้าขาอ่าขาขาบูร่ะ ข้าวครุกกี้ไม่เห็นผลไม้เลยเพราะรอบนี้ไม่ใช่ผลไม้ค่ะสาราอะไรก็อร่อยทั้งนั้นอะอะไรก็ติดข้าวค่ะชาปราชมสาราตอนนี้หมดแนละ้วไปที่คุณน้าต่อได้ถึงเฟซบ o ๊กมีทั้งหมด3ามคำถามจากทาง Facebook เจ้าคะ่ะคำถามแรกจากคุณ nskr กลับนมัสการพระอาจารย์ลูกมีความทุกข์ใจจากการทะเลาะของพี่น้องในครอบครัวเรื่องสมบัติที่พ่อไม่ได้ทําพินัยกรรมไว้ก่อนที่พ่อจะเสียจะวางใจอย่างไรคะขอความเมตตาเจ้าคะ่ะก็เวลาเราเห็นหมากัดกันเราไม่ว่าไหมหรือเปล่ามามันแย่กันดูกันนะแล้วก็ดูว่าเป็นเหมือนหมาแล้วกันอยู่วัดพิชัยยังไงก็เรื่องของเขาเราอยาไปเป็นหมาเหมือนเขาก็แล้วกัน นั่นเองนะมันเป็ น, นธรรมชาติของของสารโลกอที่มีความโลภอยากจะได้ยิ่งของฟรียิ่งอยากได้เยมันก็ไล่กัดกันไปก็ป่อัเป็นเรื่องของเท้าไปดูด้วยความเมตตาหรือว่าสงสารเขาว่าเขายังหลงอยู่เขามไม่รู้แบบของที่เขาแย่งกันกัดกันแทบเป็นแทบตายเดี๋ยวเขาเอาไปไม่ได้ถ้าขัญก็เหมือนกับพราะที่เหมือกับพ่อที่ททไม่ คำถามต่อไปจากคุณชยานิตช่วงนี้หาสมองไม่ได้อยากจะถามว่าถวายมะขามป้อมได้ไหมคะถือว่าเป็นยาไหมคะครับได้ได้ามะขามป้อมสมองนี่ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นยาไนดะ้เอาไปใช้เป็นยาไายตรนี้เป็นช้แล้วมันจะให้ช่วยระบายง่าขึ้นคำถามสุดท้ายจากคุณเตชินี ได้มีโอกาสไปวัดหลวงปู่เจียที่ปทุมธานีมีคนยายคนหนึ่งชมพระอาจารย์ว่าหาใครเปรียบเสมือนไม่มีอีกแล้วในด้านความมักน้อยสันโดษได้ยินแล้วแอบดีใจแทนพระอาจารย์ค่ะถ้าลูกศิษย์ดีมีคนชมพระอาจารย์จะมีกาลังใจสอนไหมคะก็มันก็มีอยู่แล้วจะดีไม่ดีก็มันหน้าที่ของเราต้องสอนก็สอนอยู่แล้ว อะไรก็แต่เขาดีแล้วก็ดีใจไปกับเขาด้วยแต่เรื่องกําลังใจสอนนี่มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องหน้าที่มันมันมันเป็นหน้าที่เขาเลี้ยงเรามาคลายข้าฟรีกินเขาเขาเลี้ยงเรามาแล้วก็ตอบแทนคุ้นๆเขาเพาเราทำหน้าที่ไปส่วนเขาจะเขาจะเรียนมากเรียนน้อยนี่ก็ไปบังคับเขาไม่ได้แคนั้นเองแต่ถ้าเห็นเขาเรียนแล้วสํำแดจก็ดีใจด้วย ใครบรรลุผลสวัดาบันก็จะดีใจด้วยเนี่ยมีคําถามเพิ่งเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคำถามจากคุณก้องค่ะการที่เราปล่อยให้เขาเอาเปรียบคือการทําบุญทางอ้อมใช่ไหมขอรับได้ก็เป็นการให้ให้ทานเวลาเราทําบุญทำทานแล้วว่าขาดทุนไม่ ใ, ใช่เหรอเห็นไหมเราได้กำไรก็มาจากการทําบุญไม่ได้เสียสตางค์มาแต่สิ่งที่เราได้คือบุญ เอาเอาเงินไปแกกบุญอ่ะเพราะบุญเราติดตัวไปได้เงินเราติดตัวไปไม่ได้เวลาที่เราตายไปแล้วคุณคาชิเติมพอดีครับคุณคาชิมาไงเราเรากราบรัตศการครับมากราบสวัสดีปีใหม่พระอาจารย์ครับ <uğ unda> อยู่ที่ไหนอยู่ใต้วันครับรอตอนใต้วันนั่นเอครับกลับบ้านเลยยังครับเพิ่งต่อแทกตามครับต่อแทกคร<ห>ับ อ่าดีเก็บเงินไว้นะงาเงินนะทำนะเก็บไวนะ้จะได้กลับมาอยู่บ้านสบายต่อไปครับโอเคนเี่จก็หมดคำถาม้าหมดเวลาแล้วนะมีใครอยากจะถามเพิ่มไหมพอสมควรแล้วนะสำหรับคืนนี้เด็กนะไม่อทิย์านค่อยว่ากันใหม่ก็ขอให้ท่านจรงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความกำลังก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ